อาจารย์ครับการนวักษการครับผมจำเ น, นินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่ง้อยสาสิบเอ็ดแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้คนไปบินไปใส่บาทเยอะไหมครับผมประมาณสามร้อยแปดสิบสองสมร้อยแปดสิบสองคนวันนี้ก็สามร้อยแปดสิบหกใก ล, เใกลเนะ้เคียงกันใกล้เคียงกัน ในมีมพงนีวกวันพรุ่งนี้วันพรยวันนึงก็ของใกล้เคียงกันครับผมครับให้สญาณเดยวมามาจากทุกทิศทุกทางกางรติดตามรายการสดนี้ก็มีมผ่านอ่านดูผ่านทางหมอวีก็มีครับคว<ม>ามเทพความธรรมที่สาระที่น่ากุศลก็มีวันนี้ก็มีบอกมาจากรายการนี้อช่มาจากรายการนี้ ครับอาจารย์เป็นบุญเป็นกุศลของผมครับที่ได้ทำโอกาสแบบนี้ครับอาจารย์ครับแร้วก็บอกติดตามได้ดังเคยนี่ไปถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับผมอาจารย์ครับวันนี้มาแนวปัญญามั้งครับอาจารย์ครับอยากตอบขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องไตลักษ์ครับว่าอพวกเราในฐานะที่เป็นเป็นบุคคลที่ทํางานทําการอยู่นี้จะเอาเรื่องไตลักษ์มาพิจารณาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับอาจารย์ครับกับความเมตตาครับ ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี่มันเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงนะครคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอาหารที่เราซื้อมารับประทานนี่ถ้าเก็บไว้สักไม่กี่วันมันก็เน่าบูดเนี่ยอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะ้ยาที่รับมาจากโรงพยาบาลจากคุณหมอเขาก็มีใบกำกับยาไว้ใช่ไหมว่าต้องใช้ก่อนวันที่เทอะไหรเพราะถ้าหลังจากนั้นมันก็เสื่อม ความเสื่อมนี่แหละก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นมันพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มนับถอยหลังนับถอยหลังไปสู่ความเสื่อมสลายไ <Okay. S 1> ม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณเป็นเหมือนกันห <Okay. S 1> มดรถยนต์ซื้อมาวันนี้ห้าเปียงหน้าก็เริ่มเริ่มเสียนู่นเสียเนี่ทำนี้ชุดสง่ง ใช้ต่อไปไม่นานก็ต้องทิ้งมันไปนะเพราะมันใช้ไม่ได้นะก็มองอย่างนี้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้อะไรไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีหรอกทุกอย่างเนะครื่องคอมที่เราใช้อยู่เนี่เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเสียนี่ก็ไม่ปัญหาเพราะมันเสียมันก็เลยทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของคนที่ใช้ใช่ไหมเพราะคนที่ใช้ก็อยากจะให้มันไม่เสียอยากให้มันใช้ได้ตลอด แต่มันขัดจากกันขาดกับหลักอันนีจังมันไม่เที่ยงมันต้องเสื่อมพอมันเสื่อมมันเสียก็เลยเกิดความทุกข์ใจคนใช้คนที่ไปเกี่ยวข้องกับของเรานี้ทุกเพราะว่าไม่อยากให้มันเสื่อมเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามม่ให้มันเสื่อมไม่ได้มันเป็นอนัตตา แต่เราไม่มีปัญญากันเวลาเราได้อะไรมาเราคิดว่าปัญญาเป็นเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาไปตลอดใช่ไหมใช่ครับแต่ทางตรงนั้นข้มันมันเป็นอนิจจังทุกขั ง, งอนัตตาแล้วเราต้องพยายามสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราอยากได้อะไรเห็นอะไรอยากจะได้มาได้มาแล้วจะให้ความสุขต้องบอกว่าความสุขนี้เป็นความสุขชั่วคราวเลยถ้าแปรของนี่มันก็จะต้องมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีการ เสียขึ้นมาความสุขที่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะต้องม า, มารักษามืนมาซ่อมแซมมันอะไรมันทุกอย่างเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีปัญญากับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่อยากไดไ้ก็อยากจะอยู่แบบบ้านร้อยซันโดดแบบพระพุทธเจ้าเอาท่านที่จําเป็นจริงๆที่ยังต้องมีต้องอีก็มีไปเพื่อรักษาของไม่เที่ยงเช่นร่างกายอะไรนี้มันก็ไม่เที่ยง แต่เราก็ยังต้องเลี้ยงดูแบบไปจนกว่ามันจะซึ้นสุนลงส่วนองเขาเนี้ยที่ไม่จำเป็นที่เรามาเลี้ยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูหน้างกายก็อย่าไปมีมันดีกว่ามีมาแล้วก็มันจะทาให้เราทุกข์ไม่ชาติก็เล็วมันก็จะทําให้เราทุกข์มีอยู่คนเดียวเหงาคิดว่ามีแฟนน่าจะมีความสุขไป ม, มีแฟนพอ ม, มีแฟนเดี๋ยวก็ทะเลาะกับแฟนเลย ถ้าเดี๋ยวพอมันไปมีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูกนะฮะต้องดูลูกอะไรสารพัด ส, สารเพย์พอมีแล้วมันต้องคอยดูแลรักษาเท่านั้นการดูแลรักษานี่ก็เป็นภาระเป็นความทุกข์พระเจ้าบอกภาลาเวปจักขันธาขันห้านี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งนอกจากเรามีขันห้าก็ไม่พอเราไปเอาขันหกขันเจ็ดขันแปดมาเพิ่มอีก เอานถโยนเอาบ้านเอาครอบครัวเอาภรรยาสามีนี่เรเพิ่มขันเข้าไปเรื่อยจากขันห้าก็เป็นขันสิบเนี่ยภรรยาก็อีกข้าขันลูกก็อีกข้าขันคูณเ้าไปเลยพราะเราไม่เห็นตายรัางกันคนที่เห็นตายร้างจะมักจะจะลดจำนวนของที่มีอย่างาพระพุทธเจ้าเคยมีประสาทสามดูดูมีมีราชทรัพย์ก็สลับทิ้งไม่หมด ลดลภาระเพราะของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันจะทําให้ใจเราทุกข์เร า, เากังวลกับมันถ้าเราต้องพึ่งพาสายมันเราจ ะ, ะไม่เอาเดี๋ยกาลของววก น, นี้ไม่เอานะลาบยศสารเส ร, รินเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมีเงินเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะหมดได้ยศตําแหน่งมันก็มีโอกาสที่จะหมดได้สารเสริญก็จะกลายเป็นินทานได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกล้ามหลังกัน ไดบมาปั๊บแเนี่ยมันกหมดไปแล้วไปเที่ยวมาไปเที่ยวก็มีความสุขควารบริหารไปหมดนะเนื่องจากความทรงจําแล้วก็ทําให้เกิดความอยากไปเที่ยวใหมอ่อีกเนี่ยถ้าคนที่เห็นตายแนละ้วเราจะจะไม่มีอะไรมากอย่างพระพุทธเจ้าพระนี่ถ้ามีแค่อัตบริขานของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอะไรบาปไม่ินต บ, บาท ผ้าไตจีวรไว้สวมใส่เขียนก็ได้ไว้ซ่อมซ่อมนี่จีวรวลาขาดมีโกรรไว้ปงปงศีรษาปงหม้หมุดปงแล้วก็ที่กรองน้ำไว้สำหรับเวลาสมัยก่อนตักน้ําในป่าตามลาธารนำหัวขั้นตอนไปที่กองกันแม่ตักตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยก็มีแค่นี้แหละชีวิตขอผู้ที่เห็นตายแล้วเห็นเหน็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ ดีแล้วมันต้องทุกข์ต้องคอยดอูแลรักษามันไม่มีดีกว่าอยู่แบบนักน้อยมีน้อน้อยสันโดดยินดีตามมีตามเกิดแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายอาจารย์ผมเคยฟังหลวงปู่ชาท่านพูดว่าเวลาได้อะไรมาให้นึกว่าไม่แน่ไม่แน่ยินตลอดเวลาฟังแล้วนึกถึงนะที่พตอนนะครับ เอแบบ่้วให้นึกว่าเป็นของยืนเข้ามาแล้วกันวันใดวันหนึ่งต้องเกินเข้าไปเดี๋ยวเจ้าจของก็มาข อ, อาคืนไม่ใช่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสรุปก็สเปธามานัตตาสึ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นชั่วของของเราชื่ชั่วคราวซึ่งมันจะจางไปเมื่อไหร่ก็เราก็ไม่รู้แต่เราต้องเตรียมตัว ถ้าเราเตรียมตัวให้มันไปเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับเราไปยืมของคนเคาะของเข้ามาแล้วก็รู้ว่าเราต้องคืนเขาใช่ไหมถ้าเราใช้เสร็จแล้วก็เอาไปคืนเขาถ้าเราลืมเดี๋ยวก็มาทวงแล้วก็ให้คืนเข้าไปเพราะว่าไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราทําำเลยว่าเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยวเวลาเข้ามาทวงก็เป็นปัญหามันอาจารย์ครับแล้ว เวลาที่เราคิดได้ว่าเป็นไตรลักษณ์นี่เราก็เหมือนกับเราก็ผ่อนความทุกข์ไปนะครับใช่แล้วบางทีมันต้องมองมองจากหลายมุมบางอย่างก็มองมองจากมูมันนิจังของไม่เที่ยงบางอย่างก็ต้องมองจากมูมันนตาเช่นของที่เราควบคุมมาครับไม่ได้ที่เวทนาทุกเวทนาเวลามันเกิดเนี่ยเราบของไม่เที่ยงมันก็จริงอยู่แต่ตอนนี้มันยังอยู่อ่ะแต่ทำยไงก็ต้องมองเป็นอนัตตา มันเป็นของที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บางอย่างก็มองจากมโนนตาบางอย่างก็มองจากมุมทุกข์ก็ได้ได้มาแล้วทุกข์ได้เวลาไม่มีไม่มีของเนี่ยก็ไม่ต้องดูแลรักษามันพอมีก็ต้องมาทุกข์มาห่วงมากังวลกับ ข, ของที่เราได้มามีรถกัไม่มีรถนคนที่มีรถกับคนที่ไม่มีรถใครมีทุกข์มากกว่ากัน ใช่ไครับคนไม่มีรถ ก, ก็ใช้รถสาธารณ ะ, ะไปใช้รถเมย์ใช้รถแท็กซี่ไปมันก็มันทุกข์ไม่ทูกข์ ก, กับการไปซ่อมรถทุกข์กับการเท่าต้องซื้อประกันต้องอะไรต้องรักษายังมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันให้มองได้สามมุมแล้วแต่บางทีมองนิจจามันแล้วมันมั น, ม, น, ม, น ม, มันไม่เห็นชัดก็ต้องมองอันนั้นตามองอันนั้นตาไม่ใช้ก็ต้องมอง ความทุกข์มันเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนี้งถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์มันปล่อยทันทีไม่เอาแล้วเช่นจ้เรื่องอาหารที่เรากินทุกวันนี่มันมีสารก่อมะเร็งนี่ยพอเขาประกาศออกมาปั๊บเราเลิกกินทันทีเลยมั น, นกินแล้วต้องตายต้อ ง, องเป็นโรคาเลยกินแล้วต้องทุกข์แต่ของบางอย่างเขาประกาศกินแล้วทุกข์ก็ยังกินกันอยูอยน่นะสุรายามเมาเนี่ย <c oughs> ดุริสูงแล้วจะต้องเป็นโลกปอดอะไรอ ม, มันสู้กิเลสไม่ไหวปัญญาสู้กิเลสไม่ไหวเพราะมันไม่เป็นมันไม่ใช่เป็นปัญญาเพราะภาวนาไม่ยับปัญญาการสู้กับกิเลสได้มันต้องมีอุบเบกขามีสมาธิถ้าจิตมีอุบเบกขาแนละ้วพอรู้ว่านี่เป็นเป็นทุกข์เป็นภยัยก็จะไม่ไม่แตกมันแต่คนที่ไม่มีอุบเบกขามันทนไม่ไหวมันมันอยากความอยากมันทําให้ต้อง ต้องติดต้องเสพพอไม่ได้เสพแล้วมันทุกข์มากกว่าเวลาที่เสพมันก็เลยบอกว่ายอมตายดีกว่ายอมอดเนี่ยบางคนก็ยอมตายดีก็่ายอมอด่คอันนี้เพราะตอนนี้ตอนนี่มันอดมันทรมานมากคิดว่าเวลาตายก็แป๊บเดียวไม่หายใจก็ตายก็เลทรมานน้อยกว่าก็เลยยอมอดดีกว่ายอมตายยอมตายดีกว่ายอมอด พอความตายก็อยู่ข้างหน้าเอีกเมื่อกกไหร่ก็ไม่รู้แต่ความทุกข์ที่เกิดจากการอดไม่ได้เสพนี่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยมันทนไม่ไหวอะไรบางคนก็บอกยอมยอมตายในกว่ายอมมดวันนี้ได้ได้ได้มุมมองใหม่เยอะเลยครับดังนั้นจะเห็นไตรักไม่ได้มาครับ ว, ว่าเราจะปล่อยวางได้เห็ปปนว่าเป็นไตรักแต่มันอดไม่ได้มันยังต้องเสพอยู่ ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ให้ความสุขกับเราถ้าอากจะเลิกสิ่งเหล่านี้ได้ก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่ทําจิตให้สงบมีสมาธิเป็นความสุขจากสมาธิมอลเบคามีความอิ่ ม, มใจพอใจตอนนั้นก็เลิกได้ปล่อยวางทุกอย่างได้ให้มันต้องมีทั้งสองอย่างถึนี้เป็นปัญญาที่ทละความอยากได้อย่างแท้จริง ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องสุตตานิยปัญญาหรือปัญญาที่เราคิดอยู่เรื่อยๆนี่ยังเป็นจิตตานิยปัญญาปัญญาสองระดับนี้ยังไม่มีอุเบกขาเพราะเราไม่ได้ไปฝึกสมาธิกันถึงแม้เรารู้ว่าเป็นทุกข์เราก็ยังอดไม่ไดย้ยังเลิกไม่ได้ยังต้องมีอยู่แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วถ้าเราฝึกสมาธิได้มีอุเบกขามีความสุขใจแล้วเราก็ปล่อยได้ไม่ต้องพึ่ง ไม่ต้องเพิ่มเสวนาไม่ต้องเพิ่มเงยไม่ต้องเพิ่มการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่กับที่ได้นะไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะใจมีความสุขจากความสงบจากสมาธิก็เลยปล่อยวางสิ่งต่างๆได้อาจารย์ครับจากการที่พุโทโธบ่อยๆขึ้นในช่วงนี้ผมเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างช่วงที่มันมีพุโทโธกับไม่มีพุโทโธแล้วครับอาจารย์รู้สึกว่าจาติตมันมันมีความแตกต่างกันนะครับ จิตนั่นเสถียรขึ้นเรั่นอยู่ในระดับที่ไม่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ได้ปลูกไว้เรื่อยๆสติเนี้ยอจะจะเป็นตัวกำหลบับความฟุง้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆแต่มันก็ทําได้เป็นพักๆไปเวลาเพาิ่สติเมื่อไหร่ไปปล่อยมันไปคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้กาขอบคุณพระอาจารย์ครับนงั้นก<ห>่<ข>อนที่จะไปก่อนที่จะไป <ขอ S 2> ต้องสรุปว่าปัญญาที่เราพูดถึงตายลัคนี้มันมีสามระดับอย่างที่พูดวันนี้เราได้ยินได้ฟังก็เรียกว่าเป็นสุตตะมายาปัญญายังเอาไปละความอยากไม่ได้นะปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องเอามาคิดอยู่บ่อยๆเพื่อมมาหนึ่งๆนี้ม่ปัญญาขั้นที่สองกินตามายาปัญญากินอยู่เรื่อยๆของไม่เทียมเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราเราก็คลบกำลังไม่ได้ พอถึงเวลาถึงเวลาเราทุกข์เราก็อาจจะมาใช้ไต่ลัคนี่มาช่วยดับความทุกข์ได้ถ้าดับไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังเรายังขาดโอเบคาเราก็ต้องไปฝึกสมาธิไปทําใจให้สงบถ้าเรามีสมาธิมีโอเบคามีความสงบใจแล้วพอเราเห็นได้ว่าอะไรเป็นทุกข์เราก็ปล่อยได้หยุดความอยากได้พือ <Okay. S 1> ปัญญาขั้นสุดท้ายคือภาวนาไมยะปัญญา คือมีทั้งปัญญามีเห็นตายรักแล้วก็มีภาวนามีสมถะภาวนามีใจที่สงบครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ปัญญามากเลยครับอาจารย์ครับอขอแขกครับอาจารย์ครับคุณแว่นครับทําไมองค์ุริมานฆ่าและตัดนิ้วคนมากมายถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นและการฆ่าคนในชาติที่บรรลุพระอรหันต์ทำไมถึงไม่ต้องไปชดใช้กรรมแล้วครับ คตอนที่องคุลไม่ฆ่าคนแล้วตัดนิ้วนี้คือเขาต้องการที่จะเก็บจํานวนนับว่าได้ฆ่าคนกี่คนเพราะว่าถูกพระอาจารย์ของเขาเหลอกว่าถ้าอยากจะบรรลุทางขั้นสูงต้องมีความสามารถฆ่าคนได้หนึ่งพันคนมัเนี่ยอย่างทุกทุกคําที่ฆ่าคนมาก็จะตัดนิ้วข้องคอไว้จะรู้ว่าได้ค่าไปกี่คนแะ อันนั้นเขาเขาถูกความหลงหลอกไงถูกอาจารย์หลอกให้ตัวเขาเองเขาก็เชื่อเชื่ออาจารย์หมอถ้าอยากบรรลุธรรมขั้นสูงอยากอยางใบนิพพานเนี้ยต้องฆ่าคนหนึ่งพันคนถึงจะแสดงว่ามีมีความสามารถนะพอมาเจอคนที่คนที่หนึ่งพันฆ่ามาแล้วเก้าเก้าสิบเก้าคนแล้วมเจอคนที่หนึ่งพันเป็นพระพุทธเจ้าก็วิ่งไล่จะฆ่าพระพุทธเจ้าก็ใช้อ่ ให้อิทิฤิธิปฏิหารอภิญญาทําให้เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าวิ่งห น, นีองคุลิมาองคุลิมานวิ่งตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันดังนั้นที่สร็จองคุลิมาก็ตะโกนไปบอกว่าท่านหยุดหยุดได้ไหมแล้ววิ่งตามท่านแทบตายตามไม่ทันทันทีพระเจ้าก็ย้อนกลับว่าเราหยุดแล้วเธอานางหากที่ยังไม่ได้หยุดองคุลิมากม็ถามว่า ท่นถ้าท่านหยุดแล้วทำไมผมไม่ตามให้ทันพระเจ้าก็บอกเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงกับอนุคนิมาณพออนุคนิมาณได้ยินไม่ฟังก็เกิดเอจใจขึ้นมาเอ๊ะนีมันคนละเรื่องกันอย่างเนี้ครับอาจารย์คนนั้นบอกให้เราต้องฆ่าด้วยความโลภฆ่าด้วยความโกรธจะได้บรรลุธรรมแต่พระพุทธเจ้ า, านี่กลับว่าจะบรรลุธรรมนี้ต้องฆ่าตัวเลยไม่ใช่ไปฆ่าคน ถ้าความโลภความโกรธความหลงพอ ค, คุณี้มาเข้าใจก็เลยเชื่อวพระพุทธเจ้าหยุดฆ่าคนแล้วก็มารคฆากิเลสในตนเองจนพอกิเลสในใจหมดสิ้นไปก็ได้เป็นผ้าหลานพอเป็นผ้าหลานแล้วก็ภพนี้เป็นภพชาติสุดท้ายถ้าเกิดตายไปก็จะไม่ไปเกิดในที่ไหนต่อไปไม่เกิดในอบายไม่ไปเกิดสวรรค์ก่อที่ไหนจะอยู่ในนิพพาน แล้วกรรมในอดีตที่เคยทํามาก็ไม่สามารถตามไปสร้างวิบากให้กับจิตที่อยู่ในนิพพานได้แต่ในขณะที่ยังมีชีวิตที่เหลืออยู่นี้ยังยังรับวิบากได้อยู่เพระเวลาไปหมู่บ้านไหนเจ้าบ้านก็จําได้ว่าอันนี้เป็นคนมาฆ่าคนนีวบ้าเขาก็าไล่เอาก้อนหิ น, หนาไา่เที่ยงก็ยังรัวิบากอยู่ถึงแม้จะเป็นพระหลานแต่ร่างกายเขาจําได้ว่าเป็นเป็นโจรเป็นโนคุลิมา แต่ใจของท่านไม่ไม่เดือดร้อนเพราะใจท่านมี่ปล่อยวางร่างกายได้นะครับร่างกายจะเป็นจะตายท่านก็ไม่ทุกข์กมันวิบากก็ตามได้แค่แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถไปสร้างความทุกข์ทรมาน้วยความหวาดกลัวให้กับใจได้แล้วคำถามจากคุณดาครับนิพพานเที่ยงใช่ไหมครับ มันไม่มีนิพานก็ไม่ได้มี เ, มเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิพานก็เป็นนิพานนิพานก็คือสภาพของจิตที่ปราศ จ, จากกิเลสตระหะความโลภโกรธหลงนั่นเองคุณแว่นครับเวลาทุกกายจะทําอย่างไรไม่ให้ทุกใจน้อยลงหรือไม่ทุกใจได้ครับก็ยอมรับความทุกข์ว่ามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดขึ้น ม, มามันก็เกิดอาการ ทุกทางกายขึ้นมาที่เราทุกทางใจเพราะเราอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายเพราะเราไม่รู้ว่าทุกทางร่างกายนี่เราสั่งมันไม่ได้มันเกิดแล้วมันไม่หายทันตามคำสั่งของเรามันจะหายก็ต้องมีวิธีขั้นตอนของมันเช่นกินยาหรือปล่อยให้มันอ่อนกำลังลงของมันเองทุกอย่างที่มันเกิดในร่างกายมันเจ็บแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็หายเองก็ได้แต่ตอนที่มันไม่หาย ถ้าไปอยากให้มันหายมันจะทําให้ใจทุกข์ถ้าไปอยากจะให้ใจทุกข์ก็ต้องยอมรับกับความเจ็บความทุกข์ของร่างกายไปอย่าไปอยากให้มันหายใจก็จะไม่ทุกข์คุณพัชรวัตรครับลูกข้าอกาสถามหลวงพ่อว่าทําไมคนทุกวันนี้ยังหลงติดกับสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์เป็นของดีครับขอความเมตตาครับก็เพราะขาดปัญญาไนอวิชชามีตาอวิชชาคือความ ความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ใจลับความไม่รู้วิญญาณสัตว์สี่ก็เลยมองเห็นทุกอย่างว่าเป็นเป็นสุ ข, ขะเป็นของมีความสุขนามยศสรรเสริญสุขเนี่ยสุข่างๆาหูจะบอกลิ้นกายเราคิดว่าได้มาแล้วมันจะให้ความสุขกําลังไปตลอดแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดปันไนหนไม่หมดเนี่ยทํำไงมันก็ทําให้เราทุกข์ ไม่เห็นตายแล้วเพราะไม่ศึกษาไม่เข้าหาบัณฑิตทุกวันนี้ไม่ยอมเข้าหาบัณฑิตกันคนไม่ยอมเข้าวัดกันไมรู้วัดสมัยนี้ไม่ก็มีบัณฑิตก็ไม่รู้อะไรไม่ค่อยเข้ากันไปมีแต่ขายของมอเลยไม่อยากจะเข้าวัดกันไปก็ขายเครื่องรางของขางขายโน่นขายนี่ไปอันนี้ก็ไม่ใช่วัดนี่วัดที่แท้จริงต้อให้ความรู้ให้ธรรมะถึงจะเรียกว่าเป็นวัด คุณแว่นครับเวลามีทุกทางกะอ่อนนิถามไปแล้วครับคถา ม, ามครับมีคำถามที่ฝากถามจากาในเพจนะครับอาจารย์ครับลูกละระลึกถึงความตายทุกวันมีชีวิตแค่ชั่วคราวเวลาป่วยก็ซ้อมตายภาวนาตายแน่ๆนแน่รู้สึกใจไม่ทุกไปกับร่างกายพิจารณาว่าเมื่อวันตายจริงมาถึงจิตจะได้ทิ้งร่างกายไปลูกฝึกใช้ปัญญาแบบนี้คือวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมครับ ก็มันก็อยู่ขัน้นทําการว่ามันทําข้อสอบหรือถ้ามันยังไม่เจอของจริงมันก็ยังเป็นการซ้อมซ้อมซ้อมลบอยู่ต้องรอให้เวลาไปเจอของจริงเช่นไปจะหาหมอแล้วหมอเ อ, อกเป็นมาเล่งขั้นสุดท้ายตอนนั้นก็ต้องดูที่ใจแล้วว่าทุกข์หรืไม่ทุกถ้าใจเราไม่ทุกข์เราก็ผ่านได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ผ่านยังไม่ปล่อยวางร่างกาย จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเวลานอนไม่หลับหนูจะนอนดูพองยุบโดยไม่เผลอหลับเพราะเป็นคนหลับยากขอเรียนถามว่านอนสมาธิต้องไม่ขยับเลยหรือนั่งสมาธิเหมือนนั่งสมาธิใช่ไหมคะและต้องผ่านเวทนาให้ได้เหมือนกับนั่งไหมครับก็แล้วแต่ว่าเร า, เรา น, น, นั่งเพื่ออะไรใช่นั่งให้หลับเราก็เพีงแต่พยายามใช้สติให้หยุดความคิดเพราะความคิดนี่มันทำให้เรานอนไม่หลับถ้าเราคิดไปเนี่ย องั้นส่วน เ, เวลานอนสมาธิมันจะไม่ค่อยมีมทุกขเวทนาหรอกเพราะมันสบายมันไม่เจ็บที่ถามนี่มันก็กพูดเรื่องเรื่องการนอนนอนไม่หลับแล้วก็ใช้สมาธิการนั่งการใช้สติกอบขุมใจไม่ให้คิดมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องทุกขเวทนาเพราะตอนนั้นมันไม่มีทุกขเวทนาให้เราต้องมาเกี่ยวข้องด้วย คุณสมบูรณ์ครับการพิจารณาไตรลักษณ์ใช้ปัญญาทางโลกแทนปัญญาทางธรรมไปก่อนได้ไหมเจ้าคะเพราะปัญญาทางธรรมยังไม่เกิดครับมันก็มีทางเดียวปัญญาถ้าตายรักษนี่มันเป็นปัญญาทางธรรมมันไม่ได้เป็นปัญญาทางโลกทางโลกก็ไม่ยอมรับไตรลักษณ์เขไม่ยอมคิดถึงมันก็ไม่สอนกันไปเรียนในมหาลัยที่ไหนเขาก็ไม่สอนเรื่องไตรลักษณ์จากภูมไม่ประสงค์ออกนามครับ หนูนอนฟังธรรมบ่อยๆเพิ่งจะทราบว่าบาปได้รับผลกรรมอย่างไรครับอ๋อไม่บาปหรอกมันคือมันนอนมันมันมนอนฟังแล้วมันแสดงไม่มีความเคารพในธรรมของไม่มีความเคารพในผู้แสดงผู้แสดงท่านอาจาร์นั่งแสดงทําให้กับเราเราเนี่ยนอนนอนเอกเคนเอกฟังนี่มันก็นรู้สึกว่าเอารอดับเปรียบผู้ผู้แสดงไว้หน่อยนะคือเขาเรียกว่าไม่ไม่มีความเคารพนะเราฟังธรรมนี้ ต้องมีความเคารพความเคารพในธรรมเพราะธรรมนี้เป็นของที่หายากของที่วิเศษแล้วอย่างเวลานอนฟังนี้สติมันจะเผลอได้แล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องบางที่นอนฟังไปแล้วก็หลับถ้านั่งฟังแนละ้วมันจะไม่หลับมันจะยากต่อการหลับเห็นในธรรมเนียมแล้วเวลาฟังธรรมนี่เรามักจะนั่งฟังกันนั่งในท่าขัดสมาธิแล้วนั่งท่าพระเพียบฟังไป ให้มีสติคอยฟังไปเราจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาคุณสิสิพรัตน์ครับในทุกวันที่ลูกทำสมาธิจิตจะเข้าไปลึกมากจนตัวตั้งตรงขยับไม่ได้เหมือนขอนไม้ที่ตรงดิ่งแต่ยังมีความรู้สึกถึงตัวตนอยู่ความเจ็บปวดไม่มีเบาสบายตั้งอยู่แบบนั้นได้นานจนเกือบสองชั่วโมงถึงจะมีความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นมีวันหนึ่งที่ลูกอยากลองนั่งสมาธิแบบไม่เข้าลึกเหมือนเดิม ให้รู้สึกถึงเวทนาในตอนนั่งสมาธิเบื้องต้นที่สามารถพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นได้แต่ทําไม่ได้เลยเจ้าค่ะพอสงบลงนิดเดียวจิตจะตรงดิ่งแน่วแน่ไปที่จุดที่เคยไปตัวตรงดิ่งเหมือนเดิมพอออกมาจิตสงบก็เข้าไปอีกวนอยู่แบบนี้ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะถ้านั่งสมาธิแบบมีสติจริงๆนี่มันยังไงมันไม่ไปถึงชั่วโมงมันก็ต้องมีอาการเจ็บขึ้นมาให้เราลองดูเป็นส่วนใหญ่ ถ้านั่งแบบหลับเนี้ยก็ไม่รู้นะนั่งแบบหลับนี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงมันก็ไม่มีอาการอะไรให้รับรู้ได้ยังม่ทั้งวันนั่งแบบหลับแล้วนั่งแบบรู้นั่งแบบเตือนถ้านั่งแบบเตือนเนี่ยมันมันมันมันจะไม่สงบได้นานถุกสองชั่วโมงมันต้องออกมาออกมาแล้วมันก็ต้องกมาสัมผัสรับรู้กับอาการของทางร่างกายไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องเจอทุกขเวทนาอย่างแน่นอน คุณองุงหุ่นเปรี้ยวครับเวลาเกิดทุกข์เราใช้หลักไตรลักษณ์พิจารณาได้ไหมเจ้าคะ่ะอ่าก็ทุกข์มันก็บอกงนะ่ายไตรลักษณก็บอกว่าเราไปยู่กับของที่เป็นทุกข์เราก็เลยทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้มันเทีย่ยงทุกข์เพราะอยากให้มันเป็นของเราพอเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็เลยทุกข์ว่าเราไปคิดผิดเงี้เราไปคิดว่าเป็นของเรา ถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นของเราเป็นของผู้ยืมก็ามาต้องคืนเข้าไปเราก็จะไม่ถุกคุณพัตรรัตนนายครับถ้าวัตถุทานนี้เราตั้งใจถวายเป็นสังฆทานแต่เราไม่ได้เอ่ยคําถวายสังฆทานวัตถุทานนั้นจะเป็นสังฆทานอยู่หรือไม่ครับรต้องบอกเลยคนเวลาจะถวายของนี่ว่าจะถวายให้กับใครให้กับผู้รับหรือว่าจะให้กับวัดเนี่ยถ้าให้กับวัดก็เป็นสังฆทานให้กับ ให้กับพระทุกรูปในวัดนี่ให้เป็นของส่วนรวมให้เป็นของส่วนกลางแล้วให้เป็นของส่วนตัวถ้าไม่พูดก็มกักจะถือว่าเป็นให้ให้ให้เป็นของส่วนตัวไปแต่ถ้าบอกว่าอันนี้ขอถวายให้กับวัดก็ต้องเป็นของวัดไปของผู้รับนี้เอาไปเอาไปใช้เองไม่ได้ในการทำเนี้ยงก็จะไม่ไม่ทาอย่างนี้หรอก เาถวายให้กับองค์นี้แล้วเราไปบวชให้เป็นให้เอาไปให้คนอื่นนี่ครับมันก็เมืนไปใช้ท่านมากกว่าเพราะงั้นการถวายสังฆทานมันมีมันมีขั้นตอนของมันเช่นเอาเงินไปใส่ตู้บริจาคของคังวัดเนี่ยอันนี้เป็นสังฆทานแต่เวลาที่มลเวลามีนบินจ บ, บาศใส่บาศให้กับพระเราขอให้ถวายเป็นสังฆทานแล้วท่านจะไปแบ่งให้กับใครนะมันก็ต้องมีขั้นตอนของมัน อย่างเวลาทําถวายผ้ากรถิ่นเนี่ยมันเป็นสังฆทานคขั้นตามประเพณีมันถูกบังคับไว้เลยว่าการถวายผ้ากรถิ่นนี้ต้องเป็นสังฆทานไม่ใช่เป็นของพระรูปใดรูปหนึ่งพระทั้งวัดนี้ต้องมาพิจารณาว่าควรจะให้ผู้ใดก่อนผู้ผู้ตานหลังของนี่เป็นสังฆทานนี้เมื่อได้รับมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการบอกส่งให้ทราบแล้ว สงนี่จะให้ผู้ที่มีอาวุโสที่สุดเป็นผู้พิจารณาของนั้นก่อนว่าท่านต้องการหรือไม่ถ้าท่านไม่ต้องการก็เลื่อนมาให้ลําดับที่สองที่สามตามลําดับอาวุโสพันเตไปอันนี้เป็นการใช้ของสงามกษัตริยคุณกรครับถ้าภาวนาแล้วมันยังคิดอยู่แต่ว่ากายเบาจิตเบาแบบนี้ได้หรือไม่ครับ ได้อยู่มันก็ยังไม่สงบเท่านั้นเองมันต้องไม่คิดถึงจะสงบได้เต็มที่มันอาจจะมีความเอาเส้นเล่อมเบาขึ้นแต่มันยังไม่ถึงจุดที่เบาอย่างเต็มที่อยากจะสงบอย่างเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่นี่มันเบาเหมือนลอยอยู่ในอ า, ากาศคุณเซมครับพระที่บรรลุอรหันต์แล้วจะเกิดการเสื่อมหลุดจากอารหันต์อีกได้ไหมอธิบายได้อย่างไรครับถ้าพูดเลยเกี่ยวเทียบกับความไม่เที่ยง ครับอ๋อมันแล้วเป็นเจ็ดที่มันได้ตัดกิเลสแล้วกิเลสมันไม่กลับมาอีกเขาแน่แค่เลิกเสร์ฟเลิกเดือมสุลาได้แล้วเห็นว่ามันเป็นตายรักมันก็จะไม่กลับไปเดือมอีกมันก็เลยไม่เสีว่ว ค, คุณอนงน่านคอมเมนต์บอกว่าลูกคิดจะมีคู่ชีวิตแต่มาฟังพระอาจารย์แล้วอยู่คนเดียวดีกว่ามีความสุขเยอะเลยเจ้าค่ะให้ปัดยาแล้ว ตอนนี้ก็อาจจะพูดได้แต่เวลาเกิดความเงาๆขึ้นมามากๆนี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่าคุณนัทวไลพันธ์ครับลูกเราทําให้เขาเกิดมาเราต้องรับผิด ช, ชอบไหมครับเพราะเด็กบางคนบอกว่าเขาไม่ได้อยากเกิดเลยแต่พ่อแม่ทําให้เขาเกิดมาครับเ อ, อเขาก็อยากมันเกิดถ้าไม่เกิดเ้าไม่มามามีมาอยู่ในท้องเราเหรอกความอยากนี้กัพายก็มาเกิด เขาก็พูดแบบข้างๆครูๆไปตามภาษาคนที่ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทุกคนถ้าคุณไม่อยากจะเกิดก็คุณก็ใบกระโดดนน้าตายเลยง่ายจะตายไปคุณเกิดมาแล้วคุณคุณทํามาอยู่ต่อไปแหละถ้าคุณไม่อยากจะเกิดใช่ไหมันก็พูดอ้างข้างๆครูๆเพื่อจะได้ไม่มีการรับผิดชอบว่าเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่อะไรทำนองนีน้คนสมัยนี้พยายามที่จะเลิกเรื่องไม่อยากจะยอมรับว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่ ที่ให้กําหน่อยกับเรามาแล้วก็ไม่รู้คุณค่าของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเป็นคุณค่ามากน้อยเพียงไรด้วยอันนี้ก็เลยทําให้คนคิดเป็น ค, คิดผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดไปหมดพ่อแม่ก็ต้องมีความรับผิดชอบเมืม่อทําให้เขามาเกิดแล้วในช่วงที่เขาเลีอยู่ตัวเขาเองไม่ได้ก็ต้องเล้ยงดูเขาไปจนกว่าเขาจะโตแล้วเลี้ยดูตัวเขาเองได้ก็หยุดหยุดเล้ยดูเขาได้ มันก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญได้สร้างความเมตตากรุณาขึ้นมาในใจคุณสิริวิทย์ครับเคยฟังธรรมจากครูบาอาจารย์สายพระป่าทําไมท่านเทศว่าผู้ที่ไม่มีครอบครัวจึงถือ ว, ว่าเป็นผู้มีบุญครับก็เพราะไม่มีทุกข์เนี่ยไม่มีทุกข์กับเรื่องครอบครัวบนก็คือความสุขใจเวลามีครอบครัวมันทุกข์ใจเวลาไม่มีครอบครัวมันก็สุขใจ ให้ลงมาทุกกันเรื่องของการมีครอบครัวคุณนัทวดีครับดูแลมารดาซึ่งป่วยติดเตียงตามลําพังทั้งที่มีพี่น้องหลายคนบางคนก็บอกว่าเพราะเราเป็นผู้ที่รับพรจากพระเจ้าบางคนก็บอกว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกคนอื่นอยากดูแลแต่ก็ทําไม่ได้ทั้งที่บ้านติดกันและบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะเรากําหนักกว่าลูกคนอื่นถึงได้ดูแลคะ่ะตกลงว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ เป็นเพราะเขาไม่อยากรูแลกันเขาก็หาเหตุผลมาอ้างเท่านั้นแหละถ้าเขาอยากจะดูแลจริงๆใครจะมาห้ามผมได้เขาก็จะมาขอดูแลพ่อแม่ของเขาอันนี้มันปศพอากาศมีคนดูแลอยู่ก็เลยก็เลยปรุงแต่งเรื่องราวเหตุผลธนาประการขึ้นมาเท่านั้นเองทําไมเขาไม่คิดถึงบุญคุณของแม่ของพ่อที่เลี้ยงดูลูกไม่เคยสำนักที่อยากจะทดแทนบุญคุณท่านเลย คอนเน็ตแสดงว่าอากตันอยู่ไม่มีไม่มีความกระตันอยู่รู้คนเลยอะไรต่างหาเหตุผลพูดเพื่อจะได้ทำให้เขารู้สึกสบายใจคุณอูดครับเราสนทนากับญาติญาติมีข้อขัดแย้งหลายด้านความคิดไม่ตรงกันถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เขาคิดก็จะทําให้เราทุกข์ใจแต่เราเป็นญาติทําให้ตัดขาดกันไม่ได้ทําอย่างไรเราถึงจะไม่ถูกกับข้อโต้แย้งครับ ก็แค้หลักที่เขามีไว้ว่ า, ว า, วาเวลาคุยกันให้ให้สังวนส่วนต่างให้ประสานส่วนเหมือนเรื่องไหนที่เรามีความเห็นต่างกันก็อย่ามาพูดอย่ามาพูดพูดในเรื่องที่เรามีความเห็นตรงกันก็เท่านั้นเองส่วนความเห็นต่างนั่นก็ตัวใครตัวมันเรเห็นว่าน้ําเป็นดินเราเห็นว่าดินเป็นน้ําก็เรื่องของเราไปเรื่องของเขาไปพูดไปเถียงไปจนมานตายก็ไม่มีใครยอมรับ ว่าความเห็นของเรานึกถูกความเหของเขาผิดใช่ไหมงั้นถ้าเป็นยุบิคความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องใดก็อย่าเอาเรื่อ ง, งนั้นมาพูดให้เสียเวลาบางคนก็ต่างแต่คนก็ต่างมีความเห็นของตนไปก็อยู่กับความเห็นของตนไปไม่อนนี้ไม่ได้ทําให้เราเสียญาติพี่น้องแต่อย่างใดเป็นเรื่องของเป็นความคิดความเห็นคนหนึ่งก็วบวบ ด, ดีคนวบวบบวบไม่ดีจะมาพูดเถียงกันจนวันตายมันก็ไม่ไม่ได้ข้อสรุป คนไม่บวชไม่บวชไม่ไม่บวช ด, ด, ดีก็อย่าบวชสิคนที่บวช ด, ดีก็ไม่บวช <Okay. S 1> ก็เท่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะ ก, กันใช่ไหมแต่กิเลสเราชอบเอาแพ้เอาชนะกันฉันถูกเธอผิดเธอต้องมาเธอต้องทําทํามตามที่ฉันคิดอย่างนี้อันนี้เรื่องของกิเลสเรื่องว่าตาตัวตนครับจากครูจอสครับ การที่เราถอดถอนตัญหาอุปทานต่างๆคือโลกกดหลงให้หมดสิ้นไปจากใจนั้นแต่ต้องสร้างเมตตาธรรมทานเสียสละอาสุภะอสุภังคุณธรรมฝ่ายดีต่างๆนี้เพื่อมาค่อยระงับยับยั้งกิเลสไม่ให้กำเริบคอบงามใจเราคุณธรรมฝ่ายดีนี้มาจับมาเป็นเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือไม่ครับไม่หรอกคุณธรรมก็มาตัดภพชาติทั้งนั้นตัดความโรคความอยากต่างๆให้หมดไป ทำที่พะเจ้าทงสอนตั้งแต่แบบทานศีลภาวนานี้เป็นธรรมที่จะมาละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคุณอินวอนครับอยากทราบเกี่ยวกับพระพุทธบาทรอยเกิดจากพระเจ้าประทับเท้าลงไปจริงๆหรือไม่อย่างไรครับเออทำไมครับเพราะพระเจ้าอยู่ท่า น, นเงยหนาท่านก็มีรอยรอยเท้าของท่านนะ แต่รอยเท้าที่ปรากฏอยู่ตามหินต่างๆแล้วมาอ้างว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนี่ก็เป็นเรื่องของการว่ากันไปสําหรับผู้ที่เขาจะว่ากันนั่นเองซึ่งไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ใดอย่างใดเพราะฉะนั้นรอยพระบาทมีในช่วงตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ความหมายของรอยพระบาทนี่ก็คือให้เราเดินตามรอยการดาเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าทัาในความหมายพระเจ้าท่าน จเจริญทานศีลภาวนานวเราก็เจริญตามนี่เรีวตามรอยพระบาทไม่ใช่ไปเห็นรอยรอยเท้าที่อยู่ในหินแล้วก็มากราบไหว้ขอพรขอไปนิพพานกันนี้ขอเป็นจธรรมตายก็ไม่ได้ไปไปไม่ได้มันไม่ได้ไปด้วยการขอมันปไปด้วยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาคุณสิงโตครับ มาอัปเดตการปฏิบัติครับเข้าถึงความสงบในรูปสมาธิได้ง่ายขึ้นครับฝึกเข้าออกจากสมาธิเห็นจิตเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกออกจากสมาธิเพ่งไปตามจุดต่างๆของร่างกายเห็นจิตเคลื่อนไปตามจุดต่างๆที่เพ่งครับจะริยนสติตลอดทั้งวันเท่าที่ระลึกได้ความโกรธเบาบางลงความอยากเสพกามเบาบางลงครับถือสินห้าครับแต่ความอยากเสพเมถุนเบาบางมากครับเกิดขึ้นแล้วดับเลยไม่เสพครับก็ดีถานะอะไรได้กปละไป แต่ก็ต้องคอยดูย ว, ว่ามันจะย้อนกลับมาหรือไม่ตอนนี้อาจจะไม่มีความอยากวันข้างหน้ามันอาจจะเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ในใครรู้มันก็ต้องอย่าประมาทกันคุณวรนธนาครับอยากทราบว่าการนั่งสมาธิทําไมจึงเป็นบุญสูงสุดครั บ, นนรบกบ็ใ น, น ค, ความสุขมากที่สุดไง สุขที่เหนืวความสุขทั้งปวกนั่นคือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบเนี่ยนัตติสันติพลังสุขขงัง ส, ส, สุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสิ่งความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ได้เงนินจันทร์ถูกวัตต์เรื่รางวัลที่หนึ่งของร้านมันก็ไม่สุขเท่ากับความสงบของใจคุณครองสติครับ การท่องท่ากรรมฐานช่วยอย่างไรต่อด้านจิตใจของเราครับก็แล้วแต่ว่าเราเราเราท่องเพื่ออะไรการท่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการฝึกสติเพื่อควบคุมใจเราไม่ให้ลอยไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นท่องอาการสามสิบสองก็ได้หรือท่องท่องคำอภิการพุโทโธก็ได้หรือท่องบทสวดมนต์ก็ได้ การเท่างสิ่งเหลนี้มันจะทําให้ใจเราไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นๆรื่ีได้นั่นเองถ้าเราถ้าเราไม่มีอะไรให้ใจทําเนี่ยวมันก็นั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วจะก็อาจจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามาสวดมนต์เงี้ยเล่าบรรษาที่มันเป็นภาษาสวดมนต์นี่มันกลอบใจให้สงบด้วยถ้ า, าอยู่กับการสวดได้ก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ บทสวดมนต์ี้ก็สามารถกล่อมใจแล้วให้เป็นสมาเทศได้ในระดับหนึ่งคุณปู๊เป้ครับเมื่อมาปฏิบัติถีและฟังธรรมจากพระอาจารย์ต่อเนื่องได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมเมื่อร่างกายพิการใจก็สุขดีนะครับไม่ทรมานความเจ็บปวดของร่างกายอวัยวะหายไปหลายจุดเลยขยันก็เดิมเจ้าคะ่ะเพราะไม่เหนื่อยเหมือนตอนปกติเวลาเห็นร่างกายใจไม่ได้ร้องไห้แต่น้ําตาน้ําลายไหลเองเลยเห็นว่าใจก็บังคับร่างกายไม่ได้ เห็นไม่เที่ยงเจ้าค่ะยาต่างๆไม่ได้ทานใช้แต่ธรรมโอสถปัจจุบันทํโรงทานบำรุงใจกระจายธรรมทานในเฟสเจ้าค่ะนี่จ้ะสาถือคุณสแตมครับควรทำยังไงครับเราคิดถึงอนาคตจนเราทุกข์ใจมากกลัวโลกร้ายครับก็แสดงว่าใจเรายัางไม่พร้อมที่จะรับความจริงก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันพยายามทาใจให้สงบก่อน หยุดคิดก่อนใช้พุทโธพุทโธฝึกจิตฝึกให้มีสติให้ใจมีความสงบถ้าใจเริ่มมีความสงบแล้วแรงต้านความจริงมันก็จะน้อยลงแล้วต่อไปใจก็จะยอมรับความจริงนะจะไม่ทุกข์กับความจริงจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพตอนที่แรงต้านมันเยอะกิเลสมันมีแรงเยอะเราต้องขัดกลากิเลสด้วยการเจริญสติให้จิตมีความสงบมากขึ้นจิตมีความสงบมากขึ้นแรงของกิเลสก็จะเบา น้อยลงไปแรงต้านมันก็จะทําให้เวลาเราคิดถึงความจริงของอนาคตก็จะยอมรับได้ไม่มีแรงต้านคุณพีโกเรียนถามว่าไตารักไตรักษเราต้องพบทั้งสามหรือแค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับเอามันมาคล้องกันนะมันเป็นมันเป็นมนต์เน่ะมนต์ละมันมัมาก็มาทักขันมันไม่ได้มาแต่ร้อยอย่างเดียว มันมันมันไ่ไมาเป็นชิ้นส่วนมันมาเป็นเป็นชุดเนี่ยของทุกอย่างมันเป็นชุดนะมันเป็นสามมันเป็นไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงเพราะว่ามันเป็นของที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันเป็นอนาตตาคุณปิยพลครับเวลาพยายามทําให้ใจสงบแต่กิเลสกลับพยายามชักพาให้ออกจากความสงบ รู้สึกเบื่อหรือไม่สนุกจนไม่สามารถทรงอารมณ์สงบไว้ได้ครับกับขอาวุบายพระอาจารย์ครับเวลากิเลสจะดึงไปเราก็ใช้ธรรมะดึงกลับเสีใช้คาําบาลีคำพุโทโธพุโทโธดึงกลับเราอยาขีกก้เกยียจพุโทโธนะขอให้ขยานพุโทโธแล้วกิเลสจะสู้ไม่ได้ต่อไปคุณสิริวิทย์ครับการไปเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินหรือไปร้านอาหารร้านกาแฟเก๋ๆแล้วถ่ายรูปโชว์ใน facebook ลักษณะแบบนี้คือการเสพรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมครับ อ่าก็มันก็เสร็จทางตาหูจะบอกเล่นกายลรูปก็ต้องดูด้วยทางตารูปก็เป็นการกรรมคุณหนึ่งในกรรมคุณหรูปเสียงกลิ่นรดต่างๆคุณกิติศักดิ์ครับถ้าภาวนาพุทโธ จ, จนจิตสงบแล้วจนเห็นความคิดควรพิจารณากายให้เน่าเปื่อยผุพังหรือควรดูจิตดีครับ อ๋อถ้าจิตสงบแล้วไม่ควรทําอะไรให้มันนิ่งเฉยๆไม่ควรพิจารณากายไม่ควรจะดูจิตเพียงแต่เฝ้าดูว่าจิตมันจะนิ่งต่อไปได้นานเท่าไหร่ถ้ามันเมื่อไม่นิ่งก็ต้องใช้สติหยุดมันถ้าอยากจะให้มันนิ่งต่อก็ต้องใช้พุโทโธต่อไปอย่าให้มันคิดเรื่องตอนนี้เราต้องการหยุดจิตให้มันสงบนานๆให้มันมีพลัง พอเวเมตพลังหยุดนาต่อไปเวลาเราต้องการหยุดจิตเราก็จะหยุดหนาหยุดกิเลสก็ต้องหยุดจิตเพราะกิเลสเปนมากับจิตนะสายจิตคือความคิดเป็นตัวทำงานถ้าเราไม่ให้มันคิดมันกิเลสมันก็ทำงานไม่ได้คุณสิีิเพนครับเวลามีความทุกข์ทำยังไงจิตจะสงบได้ครับก็ต้องใช้สติใช้การยันรพุโทโธพุโทโธรปการพุโทโธพุโทโธไป ต้องขยันพุทโธอย่ า, ยาหยุดนนะไม่ใช่พุโทโธสองสาครัแล้วจะให้ทุกข์หายไปไม่หายนะต้องพุโทโธไปกว่าความทุกข์มันจะหายถึงจะ ห, หยุดพุดโทโธได้คุณเอกชัยครับเราจะทำอย่างไรจึงจะยอมรับกับความตายที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้หาหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่อีกแค่สามเดือนซึ่งเรามีอายุแค่ยี่สสาสิปีเองครับเร า, าต้องทาใจร้อยสมองนะ ทำใจให้นิ่งให้มีสมาธิให้มีอุเบกขาพอใจเรามีอุเบกขาแล้วใจเราก็จะ ว, วางเฉยได้ยอมรับกับความตายได้คุณสราวุธครับผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมเราต้องรู้ทุ ก, ก่อนถึงจะออกจากทุกถึงจะอยากออกจากทุกใช่ไหมครับก็เหมือนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ต้องไปหาหมอ แต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องรีบไปหาหมอแนละ้เพราะต้องการกบจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกก็เป็นคาําเจ็บไข้ได้ป่วยของใจพอใจป่วยก็ต้องหายากินหาธรรมโอษฐ์ทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดนะปัญญาก็คือธรรมะที่จะมารักษาความทุกข์ใจให้หายไปคุณโยทินครับหากตั้งจิตในชีวิต ปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นไปได้ไหมครับมันทางโลกกับทางธรรมมันไปคนละทางทิศเหนือกับทิศใต้มถ้าจะไปเหนือก็ลงไปใต้ไม่ได้ถ้าจะไปใต้ก็ไปเหนือไม่ได้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงต้องเลือกต้องมีการมีการพยากรณ์มีการพยากรณ์อนาคตของพระเจ้าไปทางไปสองทางถ้าอยู่ทางโลกก็จะเป็นมหาจักรพรรดิ ถ้าไปบวชก็จะได้เป็นพระอุธเจ้าเป็นพระอรศาสดามันมันไปด้วยกันไม่ได้ต้องไปทางใดทางหนึ่งคุณน้ําทิพย์ครับลูกที่ชอบทะเลาะกับพ่อบาปอย่างไงบ้างครับบาปก็เพราะว่าหนึ่งไม่ให้ความเคารพไม่เชื่อฟังเถียงพ่อแม่ความจริงพ่อแม่ท่านพูดอะไรก็ถือว่าท่านกําลังเทศให้เราฟังสอนเรา เรื่องคุณโทษบาปบุญคุณโทษดีช่วยต่างๆเราเป็นลูกเราก็ควรจะฟังด้วยความเคารพเพื่อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เถียงพ่อเถียงแม่ไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ถึงแม้เราจะมองเห็นว่าท่านพูดผิดหรือว่าเราไม่เห็นด้วยเราก็นิ่งๆเฉยๆฟังด้วยความเคารพเพื่อไม่ให้เสียบรรยาธิไม่ให้เสียความเป็นที่ความเคารพพ่อแม่ความเมตสํานึกในบุญคุณของพ่อแม่ พ่อแม่นี่มีหวังมีแต่ความหวังดีกับเราทั้งนั้นท่าไม่มีความต้องการอะไรจากเราเลยนอกจากให้เรามีความสุขความเจริญพอท่านเห็นว่าเรากําลังไปนในทิศทางที่ไม่ดีท่านก็บอกเราท่านนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ฟังเช่นพ่อแม่บอาอย่าเดิงชุลามากเลยแม่ลูกอย่าไปเล่นการพนันเลยเพอเราพังนี้ก็ฉุดเงินมาเถียนกลับเลยอยันี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยอ ไม่มีความเคารพไม่มีความเข้าใจว่าท่านพูดเพื่ออะไรท่านพูดด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีคุณเบนาจครับ When I have helped people so much but people still stab my back betray me and they still trying to destroy me how and what should I doWell if you find out that they betray you then next time don't help them just Use it as a lesson to teach you that this kind of person, this person is not someone you who you could help anymore. But you shouldn't be discouraged. But to help other people, because in Buddhism, the Buddha taught that when we help people, we should not expect anything from them. Do not expect any reward from them. We do out of kindness. We do out for our own sake. And we help people without expecting any return. We feel very happy, and that's what we want. We want happiness from doing good thing for for other people. Whether other people will will return in kind or not, that's not not our business to worry about. คุณ PC, ครับเขาโอกาสถามเรื่องฟังธรรมตามการเราควรฟังแต่พอประมาณไม่ใช่ฟังตลอด ในบุญกิริยาสิก็มีเรื่องฟังธรรมอย่างนี้คือเราควรฟังธรรมแบบตั้งใจฟังไม่ใช่เปิดไว้เราทํางานอื่นใช่ไหมครับอ่าใช่การฟังธรรมก็เหมือนเข้าห้องเรียนไงเข้าห้องเรียนน่เวลาเข้าห้องเรียนคุณเอากลับเข้าวไปทําในห้องเรียนได้หรเปล่าวางจารย์ผมขอทํากับข้าไปขณะฟังธรรมไปเรียนไปหรือเปล่าไม่ได้หรอกการฟังธรรมก็เหมือนการเข้าห้องเรียนแล้วก็ฟังอาจารย์สอนวิชาต่างๆให้กับเรา เราก็ต้องไม่ทำอะไรนอกจากตั้งใจฟังไปอย่างเดียวถึงจะได้ผลคือได้ความรู้ถ้าเราฟังไปทำนู่นทำนี่ไปถ้าเกิดเด็กในห้องคุยกันอาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆจะรู้เรื่องไหมเดที่่้วนี้เรียนที่คุณสลากรครับการพัดพลาดสูญเสียมันทุกข์ใจมากเราจะเดินปัญญาให้ไม่หวนกลับไปคิดเรื่องเดิมให้ทุกข์อีกด้วยวิธีใดได้บ้างครับ ก็ยาวแล้วว่ามันผ่านไปแล้วแล้วเรามาเป็นบทเรียนว่าอย่าไปอย่าไปทุกข์ซ้ำซากต้องเติมตัวเต็มใจแล้วกับการพัดพลาที่ยังไม่เกิดขึ้นต่อไปเพราะมันเังต้องเกิดขึ้นเราต้องพัดพลาดจากร่างกายเราไม่ชาดก็เลยว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราครับเราเป็นใจที่มาใช้ร่างกายใจเป็นนายกายเป็นเบาวราะหนึ่งเบาวก็บเบวกับเบากับนายก็จะต้องแยกทางกัน ถ้เาเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอถึงเวล า, าที่จะแ ย, ายากทางกันใจก็จะไม่ทุกข์คุณอภิดีครับกราบอาจารย์ครับวันนี้ได้ฝึกแยกกายกับจิตค่ะน้ำร้อนลวกขาแสบมากๆก็เลยดูลมหายใจพุโทโธก็ดีขึ้นแป๊บเดียวก็รู้สึกแสบอีกก็พุโทโธต่อเป็นห่วงๆแบบนี้แต่จะพยายามทำต่อไปค่ะก็อย่าพุโทโธถ้พุโทโธไปได้เรื่อยๆกพุโทโธไป พอเราไม่พูดโธใจมันก็กลับไปยึดติดกับร่างกายคิดว่าเป็นตัวเองเป็นร่างกายมันก็เลยทุกข์ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็หยุดหยุดใจไม่ให้ไปคิดว่าเป็นร่างกายเป็นเรามันก็ไม่ทุกข์เป็นขยันพุโทโธเนี่ยก็เมืกินยานะถ้ายังเป็นโรคอยู่ก็ต้องกินยาไปจนกว่าโรคจะหายพอโรคหายแล้วถึงจะหยุดกินยาได้ถ้าถ้าเรายังพุโทโธไปแล้วพอเราหยุดพุดโทโธแล้วมันทุกข์เราก็ต้องกลับมาพุทโธต่อ จนกว่าเราหยดพูดโทดแล้วมันไม่ทุกข์เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องพูดโธดต่อไปแสดงว่าใจมันยอมรับได้คบุญสงาวุฒครั บ, รบถ้าตั้งตั้งใจปฏิบัติให้ได้พระโสดาบันในชาตินี้เป็นคนมีบุญน้อยหรือน้อยจะทำได้ไหมครับทำได้ทุกคนอนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบุญน้อยบุญมากบุญน้อยบุญมากมันมีส่วนที่จะทำให้การปฏิบัติง่ายง่ายง่ายหรือยากเร็วหรือชาเท่าไหร่ ถ้าทุกคนทําพระวูชาแล้วรัประกันแล้วว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีมันต่างกันตรงนี้่มันคนก็ช้าบางคนถ้าแรงขึ้นอยู่กับบุญเก่าถ้ามีบุญเก่ามันก็เรงถ้ามีถ้าไม่มีบุญเก่ามันก็ช้าแล้วก็ยากแต่มันถ้าพยายามถ้ามีความพยายามมันก็ต้องต้องสําเร็จจนได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็ต้องเจ็ดปี ขอให้เรามีความเพียรพยายามของเรากันคุณพิพัฒน์พงศ์ครับกระผมดูลมหายใจแล้วเห็นแป๊บเดียวแล้วก็หายพอรู้ตัวก็ดึงเข้ามาบางทีก็บริกรรมพอบริกรรมหายก็ดูลมลมหายก็บริกรรมกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้กระผมไม่รู้ว่าจะเป็นบุญลักษณะหรือเปล่าครับอาจาย์ก็จะมีน้อยเราไม่เคยทํามาก่อนมันก็รู้สึก ท, ทําทํายาก สติเราไม่ได้ไม่ตั้งมั่นสติเราโผล่มาพบแล้ว เ, เดี๋ยวก็หายไปพอหายไปก็เลยมองก็เลยไม่ไม่ไมรู้ลมไม่รู้พุทโธเราก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆต้องอดทนว่าสําหรับเราอาจจะต้องช้าหน่อยยากหน่อยแต่ถ้าเราเพียรพยายามต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปตามลําดับเองคุณเบนจามาดครับ ตอนนั่งสมาธิใจมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดใจไม่นิ่งเลยค่ะต้องทําอย่างไรให้ใจเป็นสมาธิครับเราต้องสร้างสติห์ขึ้นมาก่อนที่เราจะมานั่งสติเรามีน้อยมากไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้ดงนั้นก่อนที่เราจะมานั่งเราควรที่จะฝึกสติให้มากๆก่อนตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราสามารถฝึกสติหยุดความคิดได้ด้วยการมาราการพุโทโธพุธโทโธในช่วงที่เราเตรียมตัวที่จะไปข้างนอก เ, เข้าห้องน้ำอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารช่วงนี้เราสามารถเจริญสติได้เพราะเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ ใ, ใครแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปคอยห้ามกลับคิดไว้ถ้าเราทํำยี้ได้เวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้มันจะไม่ฟุ้งซ่านคุณวรรธนาครับเราสามารถเลือกที่จะไม่เกิดได้ไหมครับในชาติถัดไปครับก็ <Pues S 2> ต้องหยุดความอยากต่างๆเนีย่ย สาเหตุที่ทพาให้เรามาเกิดก็คือความอยากไม่ใช่อยู่ที่เราจะเลือกว่าไม่เกิดการที่จะไม่เกิดต้องบรลัเหตุที่ทําให้มันพาให้เรามาเกิดเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือความอยากได้อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากเสพสมาธิอยากเสพรูปประชานเรื่องรูปประชานเนี่ยนี่คือความอยากที่ทําให้เรามาเกิดในภพสามถ้าไม่ความอยากเสพกางว่าเกิดในกางมาพบถ้าไม่ความอยากเสพรูปประชานก็ไปเกิดใน รูปประพมรูปปพมถ้ามีความอยากเสพอารมณประชานก็จะไปเกิดในอารมณ์ ป, ประพมมันมีอยู่สามภพด้วยกันก็มีเหตุสามเหตุที่พานอนมาเกิดในสามภพนี่ต้องตัดเหตุทั้งสามนี้ให้หมดไปมันก็จะไม่มาเกิดคุณตะวันครับร่างกายเมื่อเสียชีวิตแล้วจะคืนสู่ธรรมชาติส่วนจิตของเราจะไม่ตายตามร่างกายแล้วไปไหนต่อครับ ก็เหมือนตอนที่เรานอนหนละับเหมันไปไหนนะ่ะตอนที่เรานอนหนละับมันก็อยู่ในโลกของนนในวในระเบียบแค่นั้นเราก็ในระเบียเรื่องราต่างๆมาเสรต่อมันก็ขึ้นอยู่ว่า จ, จะในระเบียบเรื่องดีและไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือที่บาปถ้ามีแต่บาปมันก็จะในระเบีแต่เรื่องที่ไม่ดีฝันร้ า, ายถ้ามีถ้ามีบุญมันก็จะเอาเรื่องที่ดีมาในระเบียบาให้เราฝันดี ช่วงเรานอนหลับแล้วเราตายเราก็จะอยู่ในโลกที่อยู่ในโลกของความฝันคุณวีนาครับเมื่อเราเกิดใหม่จะมีโอกาสที่จะเกิดกับพ่อแม่คนเดิมได้ไหมครับโออันี่มันยากเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราขับรถไปจอดที่สียากวันนี้เรามีรถเช็ยข้างหน้าข้างหลังข้างท้ายข้างขาเราแล้วพรุ่งนี้เวลามาจอดที่สี่ยกกันเดินี้ ทีดว่าจะเจอรถทั้งสี่คันเหมือนเดิมรนะอ่างั้นการที่เราตายไปแล้วเราจะกลับมาเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปใช้บุญใช้กรรมนานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วพ่อแม่เราก็เหมือนกันจะกลับมาตอนไหนเราก็ไม่รู้น่าจะมาเป็นพ่อแม่มาอเอามันโอกาสนี่มันแทบจะศูนย์เลยก็ว่าไนดะ้ยากมากคุณวิสิ์ครับสอบถามเรื่องน้สง การขอพรการอธิษฐานจิตจัดเป็นนี่สงหรืออย่างไรครับไม่ครัว่านี่สงก็คือนี่ที่พระที่วัดไปเป็นนี่เนี่เช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ําเนี่ยเป็นนี่แล้วเรามาช่วยปลดนี่สงให้นั่นเองก็คือมาชําระค่าน้ําค่าไฟให้ให้สงแทนเพราะสงไม่มีรายได้สงเลยแต่มีรายจ่ายทางวัดมีรายจ่ายมีน้ําไฟบางทีก็ไม่ได้ใช้ทั้งพระด้วยแล้วก็ใช้ทั้งญาติโยมที่มาวัดน้่ย มันก็เลยเกิดนี่ขึ้นมามนการไปฟ้าข้อส่งบินมาเก็บนี่ทางวัดยามโยก็อยากจะแบ่งเบาภารานี้นก็เลยว่าชำระนี่ส่งให้ด้วการทําบุญเอาเัินหยอดตู้เข้าไปในตู้ไว้แจกที่เขาว่าชำระนี่ส่งนี่เขาก็จะได้เอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เป็นนี่นการไปฟ้านีการปรับปาเงแล้วนี้คนงานในวัดบางทีก็ต้องยากคนงานท่าง ช่างช่างมาซ่อมมาอะไรต่างๆมันก็เป็นนี่ทังั้นคุณกรณครับก้าวกับผมเคยเข้าสมาธิได้ง่ายแต่ช่วงนี้มันรู้สึกว่าเข้ายากคือว่าช่วงหลังยุ่งกับเรื่องภายนอกมากเกินไปถ้าผมตัดความกังวลเรื่องภายนอกและผมกลับมาภาวนาให้สม่ำเสมอสมาธิผมจะกลับมาคืนได้ไหมครับก็ต้องก็ต้องมีสติด้วยกลับมาแล้ว ไม่ไปรู้หน่ายกับเรื่องภายในแต่ถ้าสติยังมีกำลังน้อยก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นถ้ายังเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรายังไม่พอคุณแต้มสีครับดิฉันแชร์ธรรมะให้เพื่อนทางลายทุกวันหกถึงเจ็ปีแล้วรู้สึกปล่อยวางเรื่องต่างๆได้มากขึ้นแทบไม่ทุกใจพระอาจารย์ว่าเกี่ยวกับผลบุญจากการแชร์ธรรมะไหมคะดิฉันปฏิบัติทำเยอะ ด้วยค่เหมือนสมาธิไปทําให้จิตใจเข้มแข็งจิตไม่ตกและไม่ค่อยคิดอะไรมากครับการจะแชร์ธรรมะได้เราก็ต้องอ่านธรรมะที่เราจะแชร์ก่อนนี่นะนั่นแหละการที่เราได้อ่านธรรมะแสดงว่าเราได้ได้ปัญญาจากธรรมะที่เราอ่านแล้วปัญญาที่เราได้นี่มันก็จะทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นมากขึ้นคุณเจมส์ครับ การอยู่บ้านถือศีลห้ามาตลอดแต่ว่าไม่ได้อาราธนาศีลไม่ได้กล่าวคำใดๆอย่างนี้ถือว่าได้ถือศีลห้าหรือไม่และจําเป็นต้องกล่าวอาราธนาศีลทุกวันหรือไม่ครับเอไม่ต้องหรอกการอาราธนาศีลนี่ทำครั้งเดียวก็พอถ้าเราบอกต่อไปนี้จะรักษาศีลห้าไปตลอดชีวิตก็จบไม่ต้องมาคอยต่ออยู่เลยไม่ต้องมาอาราธนาอยู่เลยอาราธนาก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานนี่เรียกว่าอาราธนา คุณ ส, สะระยุทธครับพระที huh. ่ดูแลโยมแม่ที่ป่วยติดเตียงต้องสัมผัสร่างกายบุปผการีซึ่งเป็นเพศตรงข้ามถือว่าเป็นอาบัติหรือไม่ครับก็ไม่จําเป็นจะต้องต้องไปสัมผัสก็ให้คนอื่นทำให้พระผู้หญิงหรืออาชี卡วาสที่เขาสัมผัสได้อย่าไปอ้างว่าเป็นต้องจําเป็นจะต้องสัมผัสก็หาคนที่เขาที่เขาไม่มีข้อห้ามนี้ถ้าเป็นพระก็ทำแล้วมันก็อาบัติ คุณกรณครับเวลาเข้าเคยเข้าได้จนเห็นกายเป็นลักษณะโปรง่งใสกายเบาจิตเบาแต่ว่าก้าวกับผมเข้าได้เต็มที่แค่นี้มันเข้าไปไม่สุดแบบนี้ผมควรเปลี่ยนไปพิจนารณาใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ล่ะควรจะฝึกสติให้มากขึ้นควรจะพุโทโธให้ว่าขึ้นบ่อยขึ้นทั้งวันทั้งคืนอย่าพิจารณาพิจารณามันใช้ความคิดความคิดแล้วมันจะทําให้ใจไม่สงบ คุณชัยันถามว่าอาธิจิตสามารถสั่งยาเพิ่มภูมิต้านทานเอามารักษาสุขภาพในตัวเราได้นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกอธิจิตเป็นบทความที่ผมได้อ่านเจอและยังมีความสงสัยในคำว่าอาธิจิตว่ามีความหมายอย่างไรครับจะขอความเมตตาอาจารย์ครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะเป็นยังไงเรอขออภัยด้วยคุณอัชลาครับ ลูกบาบไหมเจ้าค้าที่เวลานอนต้องเปิดเทศของพระอาจารย์ฟังจนหลับถ้าไม่ฟังจะนอนไม่หลับเปิดเทศธรรมะบนเขาหรือธรรมะหน้ากุติลองฟังทำลองฟังพระอาจารย์ท่านอื่นก็ไม่เหมือนที่ท่านเทศครับไม่บาบหรอกมันก็ปัญญาเป็นธรรมะอุชฌัญหนึง่งยทําให้เรานอนทําให้เรานอนหลับได้แต่เราไม่เกิดปัญญาทั่านเองฟังแล้วก็หลับไป ค, คุณเดมักครับ พระที่ท่านมียานอย่างรู้ถ้าอยู่ไกลๆจากท่านเช่นอยู่ต่างประเทศท่านยังจะรู้วารัจจิตเราอยู่ได้เหมือนกับเราอยู่เมืองไทยไหมครับอันนี้เรามาถามท่านให้รู้ท่านที่มีวารัจิตราไม่สามารถตอบมาได้คุณสราวุธครับผมตั้งใจปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมแล้วทำไมจึงมีอุปสรรคขัดขวางตลอดครับมันเป็นธรรมดามเวลาจะปฏิบัติธรรมนี่กิเลสที่มีอยู่ในใจเรามันจะ สร้างโมบสสากต่างๆขึ้นมาตลอดเวลายั่งต้องอดทนอดก้าน ต, ต้องใช้ขติต้องใช้ความเพียรพยายามคุณประช า, าครับเวลาคุยกับเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมควรจะถามหรือเล่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติแลกเปลี่ยนกันหรือไม่ครับจะช่วยให้ฝึกดีขึ้นหรือแย่ลงครับก็มัน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควยคุ้มเคี่กันจะดีกว่าคนรไดคนยาปฏิบัติอย่างเดียวถ้าอยากจะได้ความรู้ก็ไปฟังครูบาอาจารย์ดีกว่าถามตอบจากผู้ผรู้จริงๆถ้าถามจากเพื่อนปฏิบัติ ด, ด้วยกันแล้วก็เดียเด๋ยวก็กลัมาถกเถียงกันเพราะยังเป็นเหมือนคนตาบอดคําช้างอยู่เ <Okay. S 1> ป็นความอยากคนตาดีดีนี่ยคือครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ถ้าสงสัยนะก็ถามครูบาอาจารย์จะดีกว่า ที่จะมาคุยกันเองวัดปฏิบัตินี่ก็าจะไม่ให้พระเนยมานั่งคุยกันมันยากไปพาวนาแล้วถึงเวลากูบาอาจารย์จะให้อมาอมลมสั่งสอนถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้คุณสิทิชัยครับฟังธรรมพระอาจารย์แล้วเกิดปัญญาเรื่องความอยากต่างๆของทางโลกมีแต่เรื่องทุกข์อยากจะออกไปบวชวัดป่าตามแนวสติปัฏฐานสี่ และห้าพระสูตรที่อาจารย์ให้ศึกษาพระสูตรจริงๆแต่ที่บ้านไม่เห็นด้วยเลยครับมันเป็นชีวิตของเราไม่เกี่ยวกับเขาเลยเขาเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องของเขาแล้วก็เราก็ไม่ไม่ว่าอะไรเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นอะไรอตัวใครตัวมันในวิถีชีวิตของการทํางานเมราะว่าถ้าเราจะไปเป็นตํำรวจเขาไม่เห็นด้วยเราจะหยุดหรือเปล่าเราจะไปเป็นทหารแล้วเขาบอกว่าเราไม่ให้เขาไม่เห็นด้วยเราจะไม่ไปเป็นหรือเปล่ แล้วก็ไปยังแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตของตอนเองก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไนะคุณสถาพรครับโยนิโมสมาเทศการทําอย่างไรคะขอขงความกระณายกตัวอย่างด้วยครับคือการพิจารณาอย่างแยกข่ายคำว่าโยนิโสการพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างละเอียดเนี่ยนี่ว่าโยนิโสคือทุกทุกด้านทุกมุม ทุกมุมมองเช่นตนยแล้วก็พิจารณาทั้งด้านทุกด้านด้านอริจารห์ด้านน้ตตารเรียกว่าแยกขายยุน์นส่วคุณสุจิตราครับง่วงนอนมากเวลาที่นั่งสมาธินั่งได้ไม่นานเจ้าขาบางครั้งได้แค่1ิบนาทีครับก็ต้องไปนั่งในป่าชา้ามีสำนักบางสำนักเขาเอาศกจริงๆมาตั้งไว้ที่ที่แค่แล้วให้ไปนั่งคนเดียวกับศพ เปิดฟาลมสมให้ดูด้วยงนนั้นรับประกันได้ว่าไม่งงแน่นอนครัแต่ ก, กล้า ไ, ไปหรือเปล่าเลยคุณอุตสาครับขนาดนั่งสมาธิให้บริกรรมพุทโธอย่างเดียวหรือบริกรรมพุทโธพร้อมดีบัติหายใจเข้าออกด้วยครับนั่งสองอย่างแล้วแต่ถนัดจะพุทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมควบคู่ไปกับ การบริกรรมพุทธโธก็ได้แต่รเราจะถนัดการาคิดบวกจะทําให้เรามองสิ่งต่างๆในแง่ดีแต่พุทธศา ส, าสนาสอนให้เราคิดถึงความตายความทุกข์จากการสูญเสียจะเป็นการทำให้เรามองว่โลกนี้ไม่ร้ยงงายหรือไม่อย่างไรครับไม่หรอกศาสนาพุทธสอนให้เรามองความจริงความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมองมันไม่ได้เป็นแง่า ร, าแงร้ายใดๆความตายไม่ได้เป็นของแง่ไม่ได้เป็นของไร้กาศใด เนักกิเลสของเราไม่ชอบความตายก็เลยแปว่ามันเป็นของร้ายกาศของไม่ดีแต่ยังไม่มีความจริงเหมือนกับการเกิดความเกิดก็เป็นความจริงความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นความจริงที่เราจะต้องศึกษาเพื่อจะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์เวลาที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองคุณณรงค์กิตครับพระอาจารย์ครับเวลาเราทํากับข้าวถวายพระแล้วเราชิมจะเป็นบาปไหมครับ ไม่หรอถ้าเรายังไม่ได้ถวายถ้าถวายแล้วมันขอตัดชิ้นไม่ไม่ได้แล้วถวายของไพ่กระพร้าแล้วห้ามแตะญาติโยมบางคนเนี่ยบถวายของแล้วยังไม่ยอมปล่อยยังจับอยู่นั่นน่ะท่านก็หยิบไม่ได้เพราะว่าแสดงว่าญาติโยมยังไม่ปล่อยยังไม่ให้จริงให้จริงถวายแล้วก็ไม่ไปจับไม่ไปแตะต้องอีกต่อไปแล้วก็ไม่ไปแนะนําว่าคนจะกินอย่างนั้นกินอย่างนี้คนจะทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ควร หาพระท่านพิจนาวท่านเองท่านจะ ก, กินยังไงก็เรื่องของท่านบางคนสอนพระให้กินด้วยต้องกินอย่างนั้นกินนี้กินอย่างนี้ก่อนกินอย่างนั้นนะอะไรว่าไปบัวพันธ์บัวพาที่กินไม่เป็นอย่างนั้นนะ ค, <c oughs> คุณแต้มสีครับเคยอ่านหนังสือรวบรวมคาเทศขอ ง, งตามหาบุตรถึงการบรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วเชื่อศรัทธาหลวงตาขึ้นมาในทันทีค่ะ เชื่อทันทีว่าหลวงตาเป็นพระอรหันต์เพราะพิยนาคําเทศแล้วหลวงตามหาบวรู้ลึกรู้จริงเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการปฏิบัติจริงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงอย่างนี้ถือว่าดิฉันใช้ปัญญาไหมครับก็มันก็เป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้แต่จะรู้จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้อีกเพียงแต่เราวิเคราะห์ไปนั่นจะรู้จริงก็คือเราต้องเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติแล้วทําให้เรามันรู้เป็นพระอรหันต์ได้เราถึงจะว่าเอออันนี้แหละทํารู้จริง ท่านถึงสองเนี่ยเราเป็นผ้าหลานได้แต่เพียงแต่เราคิดไปมันก็แล้วแต่เราจะคิดอย่างทางไหนก็ได้บางคนก็คิดว่าไม่จริงก็ได้บางคนก็คิดว่าจริงบางคนก็หาว่าหลวงตาเนี้อุตริกก็มีมันเรื่องของความคิดมันคิดได้ไหลายแง่หลายมุมคิดไปได้หลายทางแต่ถ้าจะให้มันตรงกับความเป็นจริงก็ต้องนำออกไปปฏิบัติเพราะท่านปฏิบัติแบบนี้แล้วท่านได้ผลแบบนี้แล้วลองไปปฏิบัติดู ถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วได้ผลตามท่านก็แสดงว่าท่านท่านได้จริงถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วมันไม่ได้จริงก็ต้องสงสัยนะว่ า, า, ท, าท่านไม่ไม่ได้จริงหรืวลาปฏิบัติไม่ถึงขั้นมันก็มีอยู่สองแง่มุมนี้คุณวรัญญาครับช่วงนี้หนูตื่นไปใส่บาตรทุกวันจิตมีกําลังและมีความสุขมากๆค่ะแต่คนที่บ้านบอกทําไมต้องไปทุกวันหนูควรจะวางใจยังไงดีครับ เ็าบอกเขาว่าเกินข้าวต้องกินท้งวันเลยการทำบุญก็เป็นการให้อาหารใจทำได้ทุกวันก็ดีใจจะได้มีความสุขใจได้มีความอิ่มคุณสินครับการดูดวงทำนายดวงชะตาให้ผู้อื่นตามหลักพุทธ ค, ควรหรือไม่ควรทำครับ อ, อ่ไม่มีในหลัพุทธเรื่องการเรื่องการดูดวงชะตาพุทธให้ดูความจริงดูความแก่ความเจ็บความตาย ดูการพัดภาคจากกันไม่ได้มาสอนให้ดูดวงดาวให้ดูราศีนั่นกับราศีนี้ไม่มีในศาปดาพุทธคุณเปิ้ลครับลูกเพิ่งเริ่มฝึกภาวนาพุโทโธต้องกําหนดคําบริกรรมลงไปที่ใจหรือเปล่าคะหรือแค่นึกคําบริกรรมเฉยๆแล้วเวลาหลงหรือเผลอหลุดจากคําบริกรรมที่ใจควรดึงมาทันทีเพื่อไม่ให้คิดหรือให้กําหนดรู้พร้อมบริกรรมไปจนอารมณ์ที่เกิดขึ้นหมดไปเจ้าคะ่ะ ให้อยู่คําบริกรรมเนี่ยให้รู้ว่าเรากําลังบริกรรมพุโทโธอยู่หรือเปล่าถ้าเราบริกรรมพุโทโธเราก็ไม่ควรจะคิดเรื่องนั้นเรื่อ ง, งนี้ได้ถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สแสดงว่าเราไม่ได้อยู่คําบริกรมรมแล้วให้รู้แค่นี้ทําแบบนี้ให้กลับมาที่คําบริกรรมคุณพีเคครับการชาร์จมือถือในโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการจะเป็นการผิดสีไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ถ้าสถานที่เขาอนุญาตก็ไม่ผิดเนี่ถ้าเขาไม่อนุญาตแล้วถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ถามเขาก่อนเพื่อความมั่นใจว่าชาร์จได้ไหมถ้าเราชาร์ตไม่ได้ก็อย่าไปชาร์ตเขแสดงว่าเขาไม่ให้คุณเอกชัยครับเราจะฝึกปฏิบัติแบบไหนครับจิตถึงจะเข้าสู่พระอริยะขั้นโสดาบันครับขั้นบัณฑิตสีนสมาธิปัญญานะเป็นขั้นเป็นตมามไปขั้นต้องรรักษาศีลก่อน เร่มตักสินท่าแล้วก็ไปพากันศีลแปดแล้วก็ไปฝึกสมาธิทำํำจิตให้รวมให้สงบมิวเบคาแล้วก็ไปพิจารณาตายลักพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักแล้วเห็นว่าเป็นตายลักแล้วปล่อยวางร่างกายนะั้นก็บรรลุเป็นพระสดาวันได้คุณสราครับราระตัญหาทําไมถึงละยากครับเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาความอยากไม่มีพอครับ มันเปาองที่เราสะสมมาเป็นเวลายาวนานใหร่างมันเป็นเหมือนเป็นสําดานเป็นนิสัยที่จะถอดถอนยากคุณออสอนงครับชวนเพื่อนไปปฏิบัติธรรมด้วยกันได้หลายคนอย่างนี้เป็นบุญไหมครับก็เราส่วนใหญ่จะไม่ได้บุญคนที่ไปเขาได้บุญแล้วก็เพลงแต่มันเหมือนสะพานบุญเป็น เป็นคนเบอกทางให้เขาไปนั่นเองถ้าว่าจะได้บุญก็ได้นิดเดียวไม่ได้เท่ากับบุญที่เราไปปฏิบัติเองคุณฉันชนกครับในขณะขับรถจะควรจเจริญสติด้วยการสวดอิติปิโสและแผ่เมตตาได้ไหมครับไม่ได้หรอกไม่ควรคนจะอยู่กับการขับรถจนดีกว่า คุณแคชครับพระอาจารย์พอมีวิธีแนะนำการพิจารณาอาสุภะเบื้องต้นหมาค้าแบบไม่ต้องไปดูศพจริงครับก็ไปดูหนังสือกรรยายกตาสติของหลวงตามหาบุในในเว็บไซต์เราก็มีพสุชาติ t com มีหนังสือชื่อว่ากายกตาสติก็ดาวน์โหลดมาดูปอดูในมือถือได้ก็เห็นภาพศพต่างๆภาพอาวัยวะที่เขาผ่าออกมาให้ดูคุณตะวันครับ เวลานักสมาธิผมใช้ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆสักพักก็มีเรื่องอื่นให้คิดใจไม่สงบก็พยายามนึกพุทโธไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจสงบทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่มันเป็นการต่อสู้กันระวังระวกิเลสกับพุทโธถ้าพุทโธอ่อนกิเลสมันก็ทํางานถ้าพุทโธแข็งกว่ากิเลสมันก็ทํางานไม่ได้ต้องพยายามขยันให้พุทโธมากๆแล้วความคิดตามกิเลสมันก็จะน้อยลงไปเแน่ๆ คุณแต้มสีครับคนที่เกิดมาสวยหล่อเกิดจากการรักษาศีลบริสุทธิ์จริงไหมครับก็มีส่วนอีกส่วนนึ่งเกิดจากการทําบุญทําทานมาวันที่ทําบุญทําทานจะมีผิวพรรณผ่องแสรูปร่างหน้าตาสวยงามคุณสมพร้อมครับคนที่ติดอ่างจะบวชเป็นพระได้ไหมครับง่าจะได้นะเพราะว่ามันไม่ไไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้ วาจาเวลาคำบวชเป็นป้านอกจากเวลาที่กล่าวคําบวชสามารถทําได้หรือเปล่าท่องกล่าวคําบวชได้หรือเปล่าคุณอ้อครับวันนี้ลูกเจอเรื่องร้ายแรงกับคนในบ้านแต่ลูกนึกถึงคําสอนของหลวงพ่อยอมหยุดเย็นเรื่องร้ายแรงก็สงบลงก่อนหน้าลูกเป็นคนใจร้อนค่ะแต่ก็ยังทุกข์อยู่ขอความเมตตาครับก็พยายามฝึกต่อไปยอมหยุดแล้วาันจะเย็น ถ้าไม่ยามไม่หยุดมันก็จะร้อนขึ้นมาคุณกรณบอกว่าก้าวกัผมข อ, อกราบแทบเท้าหลวงพ่อครับผมเข้าใจแล้วเข้าสติไม่ต่อนเนื่องกับผมจะตั้งสัจจะว่าชาตินี้จะเอาให้ได้ครับดีจ้ะสาธเตอเข้าใจก็จะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นประโยชน์เพราะเราจะได้รู้ว่าเราผิดถูกตรงไหนเราจะได้มาแก้ไขดัดแปลงทาให้มันถูก คุณแพตครับขณะฟังธรรมนั่งสมาธิไปด้วยพอจิตรวมเกิดความสงบไม่รู้สึกว่ามีร่างกายจิตอยู่กับลมหายใจรู้สึกการหายใจเบาจนรู้สึกพอใจอยากทราบวิธีออกจากสมาธิค่ะก็ออกมาก็ก็ก็กกลุกขึ้นมาคิดแล้วริ่มคิดแล้วก็ออกจากสมาธิไปก็หยุดบริกรรมหยุดดูลมแล้วก็คิดว่ามาขยับร่างกายมันก็ออกมาแล้ว คุณเฟียดครับตื่นไปใส่บาตรหลวงพ่อทุกวันรู้สึกมีความสุขมากมครับบางวันพาลูกศิษย์นักเทนนิสไปด้วยพยายามสอนให้เขาทําบุญทําทานกันครับพักหลังเริ่มขอตามมาใส่บาตรด้วยแล้วครับจะทําแบบนี้ต่อไปครับดี่การทำบุญนี่ทาให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็เป็นตัวที่จะพาให้เราไปสวรรค์ต่อไปคุณเข็มจีลาครับ วันหยุดก็หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมวันปกติไปทํางานสิ่งที่ได้ตอนอยู่วัดกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านมันทําให้รู้สึกสับสนบางครั้งก็เกิดความคิดว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วทําไมอย่างทูกใจไม่เบาลงเลยครับก็ยังไม่ก้าวหน้ายังไม่ได้ผลสติสติปัญญายังมีน้อยอยู่ต้องฝึกสติฝึกปั ญ, ญญาให้มากขึ้นก่อน ค, คุณสราวุธครับเวลาฟังเทศหลวงตามหาบัวท่านสอนผมซึ้งใจน้ําตาไหลผมพยายามทําตามที่หลวงตาสอนแต่ทําไมจึงจะละกิเลสฝืนกิเลสจึงยากมากครับฝืนกิเลสเป็นทุกข์มากครับเพราะกิเลสมันเป็นแชมป์โลกอยู่ในหัวใจเราเราเป็นผู้ที่จะมาต่อสู้มาแชมป์โลกมันก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนยกรมสร้างพลังขึ้นมาไม่ช้าก็แล้วเราก็จะล้มกิเลสได้แต่เบื่อตอนนี้มันจะล้มเราก่อน คุณรังสรรค์ครับตู้พระต้องไม่ตั้งหันหน้าไปทางตะวันตกและใต้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเชื่อเฉยๆมันจะตั้งหรไปที่ไหนมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไ ม, ไ, ม ไ, มไม่มีไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่ความเหมาะสมนะมันจะตั้งตรงไหนดีคุณพอลครับเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าเราสามารถกำจัดกิเลสตัวนั้นๆได้อย่างหมดจด หากไม่ได้เจอบททดสอบเลือกอยู่แต่ในสถานที่ส ป, ปายะแต่ถ้าตั้งใจออกไปทดสอบเช่นไปสถานที่อโคจรพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าไว้ว่ามาจากได้ช่องครับอ๋อันไม่จำเป็นจะต้องไปที่อะโคจรไปป่าช้าก็ได้ไพระพิสูจน์อยู่พระจะพิสูจน์ว่ากิเลสตายไม่ตายท่านจะไปที่ไปออกที่น่ากลัวเช่นในป่าในป่าช้ากั น, นถ้าไม่ต้องไปที่ ศูนย์การค้าเราเพิ่มไปพิสูจน์ว่ากิเลส ต, ตายแล้วไม่ตายไม่ครัไม่ใช่อันนั้นเป็นกิเลสหรอกให้เราไปพิสูจนะะ์ต่างหากกิเลสมันอยากจะไปศูนย์การฆ่ามันก็เลยหลอกเนะาะไปพิสูจน์ดูว่าไปศูนย์ค่าฆ่าแล้วมันจะทํากิเลส ต, ตายแล้วไม่ตายไปป่าช้าสิเนี่ยกิเลสไม่ชอบไปครับไปที่กิเลสชอบไปมันก็มันก็เข้าทางกิเลสเท่านั้น คุณบุญวยวีครับโยมจะจะทำบุญแบบไหนที่จะให้ใจสงบพอนั่งใจคิดออกไปข้างนอกแล้วอย่างนี้จะได้บุญไหมครับทาบุญสติฝึกสติไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับอันนี้จะทําให้เวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายคุณมิมิครับนรกสวรรค์มีจริงไหมครับและพระเจ้าสอนว่ายังไงครับจริงเงก็ตอนเรานอนหลับถ้าเราฝันดีก็เป็นสวรรค์ ถ้าเราฝันร้ายก็เป็นนรกแต่เราตายไปแล้วก็จะอยู่ในโลกของความฝันดีฝันร้ายนี่เองถ้าฝันร้ายก็ไปนรกถ้าฝันดีก็ไปสวรรค์ไม่ใช่เป็นสถานที่มันเป็นภาวะของจิตใจคุณสราวุธครับผมฟังเทศหลวงตามหาบูทุกครั้งทําไมผมน้ําตาไหลครับท่านเทศสอนตรงจุดแต่เราอย่างปฏิบัติไม่ได้ครับก็เรามีความกระทบใจ ม, มันก็เลยน้าตาไหลได้ คุณสิทธิวิทย์ครับพระอารหันต์สองรูปนั่งอยู่ใกล้ๆกันโดยไม่พูดกันท่านจะรู้ไหมครับว่าแต่ละรูปเป็นพระอารหันต์ครับถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนก็ไม่รู้ต้องคุยกันนอกจากถ้ามีญาณอย่างทราบวาว่าจิตกันมันต้องคุยกันก็ได้สามารถใช้ญาณนดูดูจิตของท่านเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีญาณดูจิตก็ต้องมาคุยกันครับพระอาจารย์ครับพระอารหันต์โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีญาณดูจิตใช่ไหมครับ ใช่ภาพนี้อยู่สี่ละสี่แบบเนี่ยภาพนั้นแบบที่ไม่ไม่มีคุณธรรมวิเศษนอกจากการเป็นภาพนัก็มีบางรูป ก, ก็มีคุณธรรมสามารถ ร, รับรสชาติได้บางเล็ก็บางท่านก็นสามารถอ่านวาลลิศของผู้อได้คับคนแต่ละคนอาจจะไม่อันนี้เป็นของแถมที่ที่ตามมาจากวาสนาเดิมมันจะไม่เคยสร้างวาสนาเรื่อนี้มาก่อนในอดีตชาติอย่างพระโมคคัลลานะอันนี้ก็ มีอิทิตทธิธปฏิหารเป็นของแถมมาส่วนพระสารีบุตรท่านก็มีปัญญามีความสามารถที่แสดงธรรมได้อย่างพิเศษอย่างพิสดารนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละองค์คุณสมพรมครับหลวงตามหาบัวท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ทําไมเวลาออกนั่งสนทนากับโยมทําไมมองดูว่าหลวงตา ย, ยังมีอารมณ์โกรธอยู่ครับว่ามีกิริยาอะไรครับ ร่างกายเวลามันพูดอะไรบางทีเรื่องบางทีมันเรื่องที่จะต้องใช้แรงกระแทกมันก็พูดกระแทกไปกระแทกมาก็มันก็กมันโกรธก็ได้แต่มันเป็นกิริยาในใจของถ้าไม่มีความโกรธอยู่คุณสุวันนีครับลูกพิจารณากาย6ขั้นตอนอยู่เรื่อยๆจนเห็นร่างกายสลายไปเป็นดินไปถูกทางไหมครับก็ถูกร่างกายในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นดินไป ยาก่อนเลยยิ่งาลมไฟก็จะยกออกจากร่างกายไปในคนละทิศก น, นละทางกันคุณสมพร้อมครับพระเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กกับโยมผิดวินัยไหมครับมันแล้วแต่ว่าเล่นแบบไหนถ้าใช้เป็นการสื่อสารก็ไม่ผิดทำไมนีด้นอกก็ติดต่อกันก็นี่ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารถ้าเอามาเพื่มเล่นเกมเล่นเพื่อความสนุกสนานในหาก็ผิด คุณวัรธนาครับการทําความสะอาดวัดล้างห้องน้ําวัดของคนทั่วไปได้บุญแบบไหนครับก็บุญที่เกิดจากการเสียสะละรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบื้หนึ่งในบุญกิยาวัตรถุกสิทธิประกรันคุณเจมส์ครับทุกวันนี้เห็นชาวบ้านที่มาทําบุญทอดกรถิ่นแล้วนาอาหารใส่ถุงกลับบ้านปริมาณเยอะๆการทําอย่างนี้ได้บุญหรือบาปหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าเป็นของที่เหลือแล้วของพระถวายพระแล้วของเหลืออยู่แล้วเจ้าของจะเป็นของเป็นการจจกทานไปนก้เอาไปได้เอาไปเท่าไหร่ก็ได้ก็ต้องเห็นใจคนบางคนที่เขายากจนที่บำงานเขาจะได้มีโอกาสได้มีอาหารอะไรกินบ้างก็อย่าไปมองเขาในแง่ร้ายเลยบองในแง่ว่าเรามาทํำทานกันดีกว่าใครใครไม่มีก็มารับทานไปใครมีก็เอามาให้น วัด น, นี้เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางเป็นตลาดของการให้ทานกับการรับทานคนให้ถ้าไม่มีคนรับก็ทําทานไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับฝ่ายให้ก็ได้บุญได้ความสุขใจฝ่ายรับก็ได้ความสุขกายได้อาหารไปรับประทานครับก็มองในแง่งงดีมันก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนถ้าไม่ได้มีการมาแย่งกันแล้วมาขโมยกันทั้งนั้น ต้องเป็นขที่เขาให้แล้วให้อนุญาตให้ออกไปได้แล้วจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปอย่างตอนที่เราตอนชาวบิณฑบาตจะมีชาวบ้านอยู่กลุ่มนึงเดินตามทา้งหลังเพื่อมารับอาหารที่เหลือจากของพระพระท่านบิณฑบาตท่านก็แล้วท่านก็หยิบของที่ท่านต้องการแล้วส่วนที่เหลือท่านก็ยกเสียสละไปใครต้องการก็เอาไปท่านเลยคนคนก็ไม่เกิดมารับนะรวยเหมือนเราไม่มีโอกาสเหมือนเรา อะไรกินฮหาอะไรย่องหาอะไรได้ไม่ค่อยมีจะกินก็ถ้าเรามีปีทานให้เขาเขาก็จะมารับทานเขาไม่จะมาบังคับมามาอะไรเราเราให้เพราะเราอยากจะมีความสุขใจจากการแบ่งปันถ้าไม่มีเขาเราก็ทําบุญไม่ได้ใช่ไห ม, ค, มคุณพราวีครับพระโสดาบันต้องรักษาศีลแปดตลอดชีวิตอย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหยครับ ไม่อกเพราะศาสนาบานี้จะรักษาศินห้าจะไม่ละเมิดสินห้าอยครับพวกนี้อะไรท่านจะไม่ทํำบาป้วยเด็ดขาดท่านยังอาจจะไม่ถือสินแปดก็ได้เพราะท่านยังไม่ได้ปฏิบัติทําขั้นสูงต่อไปอขั้นที่จะละ ก, การมร า, าคะนี่ถ้าอยากจะละ ก, การมร า, าคะละ ก, การเสพการก็ต้องถือสินแปคุณสราวุธครับคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรไม่เชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ตายไปแล้วเขาจะได้รับ ผลกรรมไหมครับก็อยู่ที่กรรมที่เขาทำเขาทําบุญแล้วทําบาปมากกว่ากันถ้าทําบุญมากประาทำบาปเขาก็ไปสวรรค์ถ้าทําบาปมากกว่าบุญก็ไปนรกไปอะไรคุณธนพัทรครับคนที่บรรลุโสดาบันแล้วเขารู้ตัวไหมว่าเขาบรรลุหรือมีสัญญาณใดบอกไหมครับ เ, เขารู้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาว่าโสดาบันที่หมายความว่าอย่างไรก็ถ้าเขาไม่ได้ศึกษามาก่อน เขารู้ว่าเขาไม่ทุกข์กับความเป็นการตายของร่างกายคุณฟันครับขออุบายในการรับมือกับคนไม่น่ารักค่ะเพอรู้สึกว่าเราไม่มีภูมิต้านทานความไม่น่ารักของผู้คนครับเราก็ต้องมองเขาว่าถ้าเราเป็นเขาเรารเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราไม่น่ารักนะคิดถึงโเขาเขาเรา ก็พยายามรับเขาแหละเพราะมองว่าเป็นโลกโลกนี้เราบางทีเราก็เลือกไม่ได้ในโลกนี้ก็มีทั้งคนน่ารักและคนไม่น่ารักแต่พระเจ้าสอนให้เรามีความเมตตาต่อคนทุกคนไม่ว่าจะน้ารักหรือไม่น่ารักก็ถือว่าเราฝึกความเมตตากันก็แล้วกันฝึกความเป็นเมิตคุณแคชครับทั้งตอนนั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าตัวพองใหญ่เต็มล้นเก้าอี้ควรทําอย่างไรดีครับ อย่าไปสนใจมันเนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตหลอกขึ้นมาท่านหนึ้งใหเราอยู่กับการภาวนาต่อไปคุณละพิดาครับการบริจาคร่างกายในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่และร่างกายของเรานี้จะถูกนําไปใช้งานหลังจากที่เราหมดลมหายใจแล้วเราได้บุญหรือไม่เจ้าค่ะถ้าถ้าไปตอนที่เราหมดลมแล้วก็ไม่ได้ต้องมาไปตอนที่เรายังรู้สึกตัวยอยู่เช่นเขาควักตาไป ใส่ให้ไกลคนหนึ่งแล้วเราดูว่าตอนนี้เราได้เสียตาไปแล้วให้ไกลคนหนึ่งอย่างนี้ก็จะได้บุญนั่นสมัย น, นี้บางคนเขาบริยจัดตาให้กับญาติพี่น้องอย่างนี้แล้วเขาก็จะรู้มีความรู้สึกสุขใจที่เห็นว่าท้อยอมเสียสละอวัยวะที่เขารักและห่วงไปให้กับคนอีกคนหนึ่งเพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างนี้ถึงจะได้บุญ เวลาตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าอาวัยวะต่างๆที่เรามีอยู่นี้จะมีใครเอาไปให้ขายหรือไปเราไม่รู้แล้วตอนนั้นก็จะไม่ได้บุญก็ฉลูต้องรู้ต้องรู้ว่าเราได้เสียสละถ้าไม่รู้แล้วเราก็ไม่ไม่ได้บุญจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเวลาไปปฏิบัติธรรมทำได้บ้างฟุ้งบ้างจะได้บุญไหมครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง คุวิสิทธิ์ครับการทําพระเครื่องการซื้อขายพระเครื่องทําอาชีพแบบนี้ผิดศีลผิดธรรมสร้างบาปสร้างกรรมไม่ดีไหมครับผลกรรมจะเป็นอย่างเช่นไรครับหรือไม่ผิดครับรอาจารย์ไม่ผิดแล้วมันก็เป็นอาชีพยอย่างเงี้ยเหมือ น, นขายตุ๊ ก, กตาเนี่ยขายตุ๊กตาก็คนก็มาซื้อตุ๊กตาแล้วก็ขายไปจะผิดก็แต่ว่าเราหลอกลวงแม้ว่าเราของของปลอมมาเเป็นของจริงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะผิดศีล แต่ชื่อตองชื่อสัต์พูดทําความพูดจริงทําจริ ง, งนี่ก็กไม่ผิดได้ของปลอมก็บอกไปของปลอมของจริงก็บอกไปของจริงคุณมิมิครับพระใช้อารมณ์ผิดไหมครับก็พระมาบวชเพื่อที่จะรับอารองต่างๆเอาแต่ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลเพรว่าเป็นเรื่องของเรื่องอารมณ์นี่มันเรื่องของจิตเป็นเรื่องของที่ละเอียดลึก ที่ศีลยังยังเข้าไปไม่ถึงก็ั้นไม่ถือว่าผิดศีลแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่คนรที่จะมีถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะมียกเว้นว่าถ้าใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนอันนี้ก็ก็ไม่เป็นปัญหาเลยเช่นพระอรหันต์บางทีท่านก็เอาอารมณ์นี้มาเป็นเครื่องสั่งสอนคนเวลาว่างเกาวตักเตือนคนก็แสงดงท่าทางดูดะดูเดือดดุเนี อันนแต่ท่านไม่ได้ดูด้วยใจท่านไม่มีอารมณ์ะกอบยวกัความดุความโกรธแต่ท่านต้องแสดงกิริยาการเพื่อให้เขายําเกรงว่าสิ่งที่เขาทามันผิดเขาควที่จะเป็นจิตสำนึกแก้ไขดับแต่อันนี้ก็มีอย่างเรื่อง้องตาในบางทีก็ดูท่านทําดูท่านมีอารมณ์ท่านใช้อารมณ์แต่ว่า น, นี่เป็นเพียงกิริยาเพื่อที่จะมาค่มกิเลสของเราคุณสิริครับ ที่กล่าวว่าธรรมะคือธรรมชาติขอพระอาจารย์ให้ความกระจ่างครับธรรมะนี่มีหลายความหมา ย, ยธรรมะนี่ไม่ในความหมายหลักก็คือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าวิธีการดับความทุกข์เช่นการปฏิบัติสินทานสินภาวนานนี่ก็เป็นธรรมะส่วนธรรมชาตินี่คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราอย่างที่เมื่อกี้พูดตอนต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรัก เป็นหน้าตาทำไมหน้าตาก็คือไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติหมดเพียงแต่ว่าจิตเราไปหลงแยกแยะเอาเองว่าอันนี้เป็นตัวเราอันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติในความเป็นจริงเราทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเของมาจากธรรมชาติเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเท่านั้นคุณแคชครับการบูชาน้ำมนต์หรือวัตถุมงคลจากสถานที่สังเวชนียสถานจะเป็นการไม่ละสังโยติสิบไหมครับ ยังไม่ได้รักหรออันนี้ยังถือว่าเป็นศีลรัพัตตาปารมาอยู่ยึดติดในพิธีกรรมในวัตถุมงคลอะไรต่างๆอยู่ในรู้ว่าบุญเนื้อบาทเป็นตัวที่ทาให้เราเกิดสุขหรือทุกข์เจริญหรือเสื่อมคิดว่าได้ของบาแล้วจะทำให้เราจเจริญนันนี่นก็เป็นความเห็นผิดไปแล้วคุณเจมส์ครับ ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่มักจะอนุโมทนาสาธารกับผู้ทำบุญไม่ได้เบียดเบีย น, นผู้อื่นอย่างนี้เพียงพอจะได้ไปสวรรค์ไหมครับถ้าไม่มีความดีก็ไปไม่ได้คนนี้ทำไปสวรรค์ต้องทำความดีมากกว่าทำความชั่วถ้าความดีและความชั่วเท่ากันก็ไปได้เป็นมนุษย์ถ้าได้กรรมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> คุณปราณีครับผลบุญส่งผลในชาตินี้มีมจริงไหมครับ ก็สุขความสุขใจยาธรรมบนญก็เรามีความสุขใจนลอะคือผลบุญที่เกิดขึ้นแล้วในชาตินี้คุณบุญส่งครับนั่งสมาธิได้นานแต่จิตไม่สงบแต่รู้ถึงจิตเกิดดับเห็นอารมณ์ตัวเองอย่างนี้ดีไหมครับยังไม่ดีต้องสงบถึงอย่างดีคุณแคชครับกำลังฝึกวิปัสสนาอยู่ควรจะเรียนอภิธรรมเสริมไหมครับ ควรจะฝึกสมาธิก่อนก่อนที่จะไปฝึกวิปัสสนาคุณสราวุธครับวิธีที่จะละความอยากทางรูปรสกลิ่นเสียงได้ทําอย่างไรครับก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเวลาที่เมื่อมันเป็ น, นเหมญอ น, นยาเสพติดเนี่ยพอเราติดรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเวลาใดที่เราไม่ได้เสพมันเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเมืม่อเห็นว่ามันเป็ น, นเหญือ น, นาเสพติด คุณบุญชูพระโสดาบันยังกลัวผีไหมครับอ๋อท่านไม่กลัวตาท่านไม่กลัวอะไรท <c oughs> ่านนั้นนะท่านกลัวกิเลสมากกว่าครับคุณมิมีครับคําสอนมหานิกายกับธรรมยุทธ์เหมือนกันไหมครับมันธําสอนพระเจ้าไม่ใช่ของมานิกายหรือของธรรมยุทธ์ธรรมยุทธกับมหานิกายนี่เป็นพระที่ปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันในศีล สีลมาข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันและไม่ปฏิบัติเพราะนั่นเองแต่ธรรมะนี้เป็นคาําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นนันเดียวกันปฏิบัติตามเดียวกันศึกษาเนี่ยเดียวกันคุณเข็มจีฬาครับเริ่มต้นมองร่างกายเป็นของไม่เที่ยงโดยไม่แต่งหน้าทําผมไปทํางานอย่างมีคิดถูกไหมครับก็ถูกนะร่างกายมันก็ต้องเขียวหน้าตาก็ต้องเขียว คำถามสุดท้าครับอาจารครับถ้าเราหมดลมหายใจแล้วแต่สั่งลูกหลานให้เอาเงินเราไปทําบุญให้ต่อแบบนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้ต้องสั่งเขาที่เรายังไม่ตายแล้วให้เอาไปทําบุญให้หมดเลยตอนนี้เงินของแม่มีเท่าไหร่เอาไปบริจาคที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะทำตอนนี้นเราจะได้บุญเพราะเรารู้ว่าเราเราได้ทําบุญแล้วแต่ถ้าเราข้าไปทําหลังจากที่เราตายแล้วเราไม่รู้ถึงแม้เราจะสั่งเขาบางทีเขาไม่ไปทําก็ได้ก็แม่ตายแล้วแม่ ไม่ก็ไม่รู้ไปไปไหนแนละ้วเขาก็อาจจะหัวเงินขึ้นมาก็ได้ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมอยู่ด้วยกันในเฟ c บ b ๊ o เก้าร้อยคนครับในยู u t u ห้าร้อยแปดสิบสามคนในคลับเฮา s ์เก้าคนครับมีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนร่วมฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองคนครับอาจารย์ครับวันนี้นะอาจจะเป็นเพราะหัวข้อทางปัญญาบางคนสนใจกนะันมาตายละก็ดี แสดงว่ามีนคนยินดีก็เป็นคนุณเป็นประโยชน์หวังว่าจะได้นำมาไปใช้เพื่อดับความทุกข์ทางใจต่อไปการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรใจเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมโดยทั่วหน้ า, ากันเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพเท่นี้ ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็จะได้คงจะได้พบกันอีกในอาทิ้ย์หน้าเช่นเคยขอ๋อเจริญพรขอบคุณพระอาจารย์ครับ